เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้อรามาเคลื่อนกายย้ายจุดมาที่ศรีสะอโศกปณีได้รับนิมนต์มาในเรื่องงานวันแม่วันที่สิบเอวันนีวันที่ส1บอสิงหาคมสอง6ห้ารพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สิบสองสิงหาคม ซึ่งเป็นวันคลายวันพระาพราชสมภพของสมเด็จพระราชินีเรียกว่าวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยเราเร า, า, าเจ้าศีษยอโศ่ก็เลยจัดงานวันแม่ตรงวันอาทิตย์พอดีก็เป็นวันที่รวมญาติด้วยเป็นวันหยุดด้วย เป็นวันสะดวกเป็นวันที่พร้อมเพราะงานอื่นเราก็มีที่จะไปทำงานร่วมกับสังคมเราก็เลยที่จริงเราไม่ได้เกณฑ์ไม่ได้กะอะไรไว้หรอกไม่ได้วางแผนวางเพลินอะไรไว้มันเป็นไปเองเพราะที่นี่จัดว่าจะทาจัดงานวันแม่ในวันนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วมันก็เหมาะเจาะที่เราจะต้องไปเคลื่อนกายาย้ายจุดไปจัดอะไร ต, ราต่างๆนานาในอื่นอีก เช่นที่นี่วันแม่วันนี้จะมีตลาดอริยะของที่นี่บงังอ้าวก็ดีแต่มาวันนี้แล้วพรุ่งนี้วันที่ 12, สิบสองสิงหาคมเราเกิดจะต้องมีตลาดอริยะเป็นกลุ่มใหญ่จัดที่กลางเมืองหลวงจัดที่ที่ประสูนย์พระพุทธเจา้าจัดที่สวนลุมพินีวัน เราจะจัดตลาดอริยะที่นั่นก็เป็นนดบดิใหม่ขึ้นมาเราก็จะต้องไปรวมไปรวมกันทีนี้จะโยกย้ายเอาตลาดอริยะเล็กนี่ไปรวมโน่นมันก็ไม่ทันแล้วก็จัดเล็กนี่ก่อนแล้วรีบเสร็จรีบไปพรุ่งนี้ก็ไปต่อที่โน่นไปจัดใหญ่กันที่นนท์เมืองหลวงนนท์ที่ลุมพินีวนนันนนท์สถานที่ประสูนย์ของพระพุทธเจ้านั่ น, นะอะไรนี่เป็นต้นมันสัพพันกันไปหมดเลยนะ มันเป็นวันประสูติเป็นวันเกิดและที่สถานที่อะไรมันรวมกันหมดทั้งพฤติกรรมตลาดอริยะยิ่งใหญ่นะพฤติกรรมตลาดอริยะนี่ยิ่งใหญ่ถ้าโลกนีเป็นตลาดอริยะกันได้จริงจเจริญเลยอริยะคือความประเสริฐอริยะคือปัญญาอัชาญชานฉลาดฉลาดที่เป็นฉลาดอย่างกุศลฉลาดอย่างประมัดที่สูงส่ง ฉลาดอย่างถูกต้องดียิ่งเยี่ยมยอดคือผู้ฉลาดนั้นจะค้าขายก็ค้าขายขาดทุนนี่คือความเข็นของคนประเสริฐอริยะถ้าค้าขายอย่างเอากำไรนะซึ่งพ่อของประเทศไทยเราก็ตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่า our loss is our gain ขาดทุนของเราคือกำไรของเรานี่ไม่ใช่ภาษาผู้เล่นมันเป็นเรื่องจริงบนตลาดอรียะของเรานี่เราทำมาแล้วทำมาสอดคล้องกับพ่อพ่อของประเทศและก็สอดคล้องกับพ่อของมหาจักรวาลคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อันเดียวกัน จะต้องทำขาดทุนมักน้อยทำไดที่วันทาไดวินยัยใดไม่เป็นไปเพราะความมักน้อยสันโดษหรือไปหาศูนย์หมดเนื้อหมดตัวทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่เพราะเราตถาคตอย่างนี้เป็นตน้นมันสอดคล้องกันหมดเพราะงั้นทุกอย่างตอนนี้วันนี้เรารู้สึกว่ามันจะพร้อมในเหตุปัจจัยต่างๆมาประชุมกันมาประชุมกันลงตัวกันเจอะที่เดียว พร้อมตั้งกิ จ, จกรรมการเมืองก็มาประชุมกันอยู่ตรงตรงนี้รวมเป็นเหตุปัจจัยอยู่ในนี้ด้วยผสมอยู่ในนี้เลย ต, ตั้งเหตุการณ์ของเศรษฐกิจตลาดอริยะนี่ค้าขายนี่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและเป็นการรวมพลเงินรวมมนุษยชาติกันเพราะคนประเสริฐคนดีก็มารวมกันทําสิ่งที่ดีเรียกว่าสังคมมังครบทั้งเศรษฐกิจรัฐกิจสังคมมือ ก, กิจ รวมกันอยู่นี่ครบพร้อมเลยจะเป็นเวลานี้จะเป็นสถานที่อันเหมาะคือที่ประสูติที่เกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความเกิดภาษาบาลีความเกิดคือชาติความเกิดชาติเราจะได้อธิบายชาติกันถ้าการเกิดนี้เป็นการเกิดสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศล เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุไม่ดีเกิดกันมาร่วมสังขารสังเคราะห์กันขึ้นมาร่นปรุงแต่งกันขึ้นมาจัดแจงกันขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมาจนกระทั่งมามีบทบาทลีลามาเป็นแรงจะเป็นแรงงานจนเป็นแรงร้ายแรงดีเป็นพลังดีพลังไม่ดี มันก็เกิดจริงเกิดจากมนุษย์นี่แหละเป็นตัวที่แสดงพฤติกรรมสูงสุดจริงพลังของพลังพฤติกรรมของลมไฟอากาศต่างๆแม้แต่พลังของน้ําพลังของดินก็ตามมันก็เคลื่อนตัวแต่สิ่งเหล่านั้นมันเคลื่อนตัวมีเหตุปจัจจัยเถธาเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านั้นเธถธา ก็จะมารวมตัวกันกว่าจะเป็นดิดแดงที่จะเกิดมุนเกิดจุดวิกฤตที่จะทำปฏิกิริยาอย่างสูงชาแต่มนุษย์นี่มีจิตจิตแหววไวมากเป็นตัวบรรดาลมโนปุพังกมมาธรมาเป็นตัวประธานที่จะทำให้เกิดการเกิดสภาพเร็วไวไวได้ทั้งความคิดไวได้ทั้ง เปลี่ยนแปลงตัวเรียกว่ามุทุมุทุนี่เป็นว่า อ, อ่อนอ่อนทั้งไวไม่จะอ่อนเลวไหลนะเร็วไวอ่อนไหวไวเร็วเรียกว่าทางปัญญาและทั้งตัวเจโตจิตก็เปลี่ยนได้เววะเร็วไวจิตก็ดับแปลงแต่งตัวได้ไวทับไวเช่น ตัวเรามีพฤติกรรมชั่วเราเปลี่ยนทุกเป็นพฤติกรรมดีทันทีเลยเร็วไวขับไว้อย่างนี้เป็นประสิทธิภาพสูงส่งปัญญาที่มันโง่ทึบมันไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วมันรู้เร็วเลยนะพอสัมผัสในปั๊บ ร, ร, รู้เลยแต่โอ้โหอย่างนี้เออชั่วแล้วเราอยังเป็นชั่วอยู่รู้ปั๊บเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้นั่นคือมุทุพุทธธาตุเป็นธาตุที่เป็นธาตุอัตมาเรียกธาตุหัวอ่อนมีคุณลักษณะอ่อนไว อ่อนไวคือดับได้ไวปรับไวหรืออ่อนไวเปลี่ยนไวไวัแปลวแปรสภาพได้ไวอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสัจจะทางนามธรรมาเป็นตัวพลังงานหลักของทุกอย่างเรียกว่ามโนปปังก็มาตมามโนเศษฐามโนมายานะ เพาะเจะเรียนรู้พระเจ้าสอนถึงเรียนรู้ถึงพลังงานที่มันยิ่งกว่าพลังงานทางฟิสิกส์ยิ่งกว่าความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าละเอียดกว่านั้นละเอียดยิ่งกว่าพลังงานทางฟิสิกส์ยิ่งกว่านิวเคลียสที่จะเป็นตัวตั้งระเบิดออกมาเป็นนิวเคลียสเป็นพลังงานอันแรงมากเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งกว่านิวเคลียส ที่จะแตกตัวเป็นพลังนิวเคลียร์พลังงานทางจิตเนี่ยแต่คนยังเข้าไม่ถึงคนเข้าถึงได้จะไปสู่ได้จริงอัตมาก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงพลังงานนิวเคลียสแล้วก็จะใช้นิวเคลียแตกตัวให้เป็นนิวเคลียร์ได้ยังไม่ถึงทางด้านวัตถุก็ยังไม่รู้เรื่องไกล ทางด้านนามธรรมก็ยังไม่เก่งเพราะได้ตามลำดำับนะเราจะมาขยายความถึงเรื่องการเกิดวันแม่จะมีการเกิดการเกิดอรตมาได้บรรยายอะไรอะไรกันไปพอสมควรแล้วทุกวันนี้ในการเกิดของสังคมพฤติกรรมสังคมมันเกิดเสื่อมมันเกิดเสื่อม เสื่อมเกิดเกิดเสื่อมเสื่อมเกิดเกิดเสื่อม เ, เสื่อมมาถึงวันนี้มีพูดทานายเอาไว้ในความเสื่อมของบ้านเมืองมาถึงวันนี้เนี่ยคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศอุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการ เกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าจะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพร พระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนีพระการกุลีจะเข้ามาเป็นไส้พระธรณีจะตี อ, อกให้จะตี อ, อกให้รําให้เนี่ยพระธรณีจะตี อ, อกให้ อ, อกพระการพระการกาละเวลา ออกพระการจะไม่อยู่เกรียมกลมในลักษณะทำนายไว้บ่อหอนผิดเมื่อวินิจผิดดูก็เห็นสมมิใช้เทศกาล ร, ร้อนก็ร้อนระงมมิใช้เทศกาลลมลมก็พัด ไม่ใช่เทศกาลหนาวนกก็หนาวพน้น ไ, ไม่ใช่เทศกาลฝนฝนก็อุบัติทุกต้นไม้ย่อมยญ้าสารพัดเกิดนิบัตน า, นานาทั่วสากลเทวดาซึ่งรักษาพระศาสนา จะรักษาแต่คนฝ่ายอ ก, กุศลเทวดาเทวดานะเทวดาเทวดาซึ่งรักษาพระศาสนาจะรักษาแต่คนฝ่ายอ ก, กุศลสับปรุดจะแพ้แกทรชนมิตรตน ข่าซึ่งความรักภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัวคนทั่วจะมาล้างผู้มีศักดิ์ลูกศิษย์จะสู้ครูพักจะหารหักผู้ใหญ่ให้เป็นน้อยผู้มีศีลจะเสีย ซึ่งอำนาจนักปราดจะตกต่ำต้อยระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจมภูมิตรกูลจะสูญเผ่าเพราะจันทานมันเข้ามาเสพสม ผู้มีศีลนั้นจะเสียซึ่งอารมณ์เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยาพระมหากษัตริย์จะเสื่อมสิงหนาะตประเทศราชจะเสื่อมซึ่งยศถาอาสัจ เรื่องรือชาอาศัตร์นะอาศัตร์จะจะเรื่องรือชาพระธรรมมาจะตกหรือรึกลับผู้กล้าจะเสื่อมใจหานจะสาบสูญวิชาการทั้งปวงศัตว์ผู้มีศีลจะถอย จากรับรับประปรุจะอับซึ่งน้ำใจทั้งอายุอายุนี่แหละอายุจะถอยเคลื่อนจากเดือนปีประเวณีจะแปรปรวนตามวิสัยทั้งพืชแผ่นดินจะผ่อนไป ผลละหมากรากไม้จะถอยรถจืดหมดเลยเนาะขมด้วยเปรี้ยวด้วยเผ็ดด้วยทั้งเพศพันว่านยาก็อาเพศเคยเป็นคุณวิเศษก็เสื่อมหมดจวงจันพันไม้อันหอมรถจะถอยถด ไปตามประเพณีทั้งข่าวก็จะยากหมากก็จะแพงสารพันจะแห้งแหลงเป็ น, นทุ่นทีจะบังเกิดทรพิษมิจสัญญีฝูงผีจะวิ่งเข้าปลอมคนกรุงประเทศ ราชธานีจะเกิดการกากุลีทุกแห่งคนจะอ้างว้างอกใจทั้งไพรพลจะสาละวนทั่วโลกทั้งชายทั้งหญิงชายจะร้อนอกสมนาประชาราชจะเกิดเข็นเป็นอุบาท นั้นมากหลายจะรบราฆ่าฟันกันวุ่นวายฝูงคนจะล้มตายลงเป็นเบื่อทางน้ำก็จะแห้งเป็นทางบกเวียงวังก็จะรกเป็นป่าเสือแต่สิงสาราสัตว์เนื้อเบื้อนั้นจะหลงเหลือ นั่นจะหลงหลอเหลือในแผ่นดินทั้งผู้คนสารพัดสัตว์ทั้งหลายจะสาบสูญล้มตายเสียหมดสิน้นด้วยพระการจะมาพลานแผ่นดินจะสูญสิ้นการรณรงค์สงครามกรุงศรีอยุธยา จะศูนย์แล้วจะรับรัตสมีแก้วเจ้าทั้งสามไปจนคำรบปีเดือนคืนยามจะสิ้นนามส ก, กราชห้าพันกรุงศรีอยุธยาเกษมสุขแสนสนุกนี้ยิ่งล้ำเมืองสวรรค์ จะเป็นแพทย์สยาอาทันนับวันจะเสื่อมศูนย์เอ่ยนี่เป็นคำพยากรณ์ทำนายกลุงไว้เพียงเท่านี้นในพระนารายณ์เป็นเจ้านบพบุรี นี่ก็คือเอามาส่วนหนึ่งที่จริงยาวขึ้นต้นอัตมาไม่ได้อ่านตอนต้นมันยาวมากก็เลยอ่านตัดออกกลางไปถึงจบให้เห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วเดือนดาวดินฟ้าอาผิดอุบัติเตเกิดทั่วทุกทิศหนมันทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นวัตตัรทุกอย่างมันจะวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับ เพาะในช่วงตั้งอยู่นี่แหละมันตั้งอยู่อย่างสุขสงบอบอุ่นอยู่อย่างบันบันเทิงเริงรมเบิกบานดีหรืออยู่อย่างกลางกลางสุขมั่งทุกมั่งหรืออยู่อย่างทุกมากกว่าสุขทุกวันนี้มันเข้าเขตขายของอะไรสุขมากกว่าทุกสุขทุกปานกลาง ทุกมากขศุขอยู่ในเขตไหนเข้าเขตทุกมากขสุขแล้วตั้งอยู่ในเขตทุกมากขสุขแต่มันก็จะเสื่อมไปหมดไปสลายไปโดยธรรมชาติของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรห้ามกันแต่เราเป็นคนถึงอย่างไรอย่างไรเราก็จะต้องพยายามสร้างทั้งจิตวิญญาณทึ่งเป็นประธานทุกอย่างในพลังงานมหาจักจรรา์นี้ ในมหาจจกวานนี้มีพลังงานทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นประธานทั้งหมดส่วนพลังงานทางสสารพลังงานทางวัตถุธรรมนั้นมันก็เป็นพลังงานที่ปรับตัวไปตามธรรมชาติตัวที่เก่งกว่าธรรมชาติคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณีนญญณเหนือธรรมชาติเก่งกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ตัดผู้รู้ตัดสรู้กับตาว ร, รู้ได้แค่ธรมธ ร, มมธรมชาติธรรมะคือธรรมชาติก็อยู่แค่กลาง ก็ดีนะยังดียังได้มาขั้นกลางมาอยู่ขันข้นร้ายขนะั้นร้ายเนี่ยธรรมชาติคือการปรุงแต่งที่เลวไหลเช่นทุกวันนี้เนี่ยธรรมชาติของอบายมุกมันปรุงแต่งกันเต็มแล้วเป็นธรรมชาติเขาบอเป็นธรรมชาติธรรมชาติของกามโอ้โหวิถีฐานพิสดา ร, รลเลอะเทอะจากจากั่นมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันก็เกิดมันก็ทําให้เกิดเกิดยางธรรมชาตินั่นแหละเละเทะเลวไรลรุนแรง สารพระทำลายเหน็ดเหนื่อยทรมานงางเงาเป็นธรรมชาติที่งงเงาเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ละลดธรรมชาติให้มันมีส่งไวซึ่งความพอเหมาะพอดีไปหาศูนย์พอเหมาะพอดีไปหาศูนย์เพราะฉะนั้นสังคมที่จะอยู่กันอย่างดาวนานหรือไปนานได้ก็คืออยาพ่พอดีกับไปหาศูนย์ส่วนไปหาศูนย์ก็คือผู้ใดจะจบธรรมชาติศูนย์ ก็ไม่มีทําไม่มีมีมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีวันนี้ตั้งใจจะอธิบายเรื่องถึงสุดถึงขั้นมีและก็ไม่มีไม่มีก็มีมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีฟังทันก็ฟังฟังไม่ทันก็ได้ทวนเอาใหม่และจะให้เห็นได้ว่าความต่อระหว่างความมีก็ไม่มี และต่อระหว่างความมีกับไม่มีเรียกว่าสันตติมันจะต่อกันตรงไห น, นมีคือเกิดไม่มีคือดับเพราะความเกิดกวามดับเราจะเห็นสันตติเห็นความต่อภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเทนิอัมจะเห็นความต่อของคอนเทนิอัมเป็นรีเลทีฟคือความสัมผัสต่อเนื่องกันนะระหว่างตั้งแต่คอนเนกมาเรเลที connection มา r e l a t i o n มาถึง c o n t i n u ียมนะมันจะต่อเนื่องละเอียดมาเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะขณะนี้นี่ประเทศไทยเราเนี่เกิดปรุงแต่งกันอยู่ตั้งอยู่ในความเปลวรายมากปรุงแต่งกันอยู่และกำลังสู้กันระวังธรรมมาธรรมะสงครามสงครามธรรมะกับอักธรรมธรรมะ บวกสงครามระหว่างธรรมมาธรรมะธรรมะก็คืออัธรรมอันหลังธรรมะอัตธรรมมาสนธิกันเข้าเป็นธรรมาธรรมะอัตธรรมกับธรรมะสงครามสงครามรองธรรมก็บอัตธรรสู้กันอยู่อาจารมาก็ยังเห็นว่าไทยเรายังมีปัญญาเข้าใจในสัจธรรมที่พระครรภุตแล้วก็ยังเชื่อมโยงแล้วก็ยังออกมาเป็นตัวปฏิบัติ ขณะนี้กําลังเกิดกองทัพประชาชนขึ้นมาเสร็จแล้วธรรมะเห็นว่าเออกองทัพประชาชนก็แม่มันก็คงไปได้ยากก็เลยมาผนวกก็เป็นกองทัพกองทัพธรรมก็มาประสานกับ ก, กองทัพประชาชนนะเราก็เลยไม่อยากจะให้มันเป็นกองทัพไม่อยากให้เป็นทัพพระนี่มันเป็นการรบราการรบราทัพพระ เป็นกองการรบปราดแข็งดีแข็งเด่นแย่งจริงไม่เอาเราเลยลบกองทัพออกก็เลยมาปลองดองประชาชนเอากองทัพกองทัพประชาชนก็เอาออกกองทัพที่จะมาเป็นธรรมะก็เอาออกเอาสองกองทัพออกเลยเอาเรือปลองดองประชาชนนะมาเป็นการปลองดองประชาชนเพื่ออะไรไม่บอก หมกเม็ดไว้ปลองดองประชาชนส่วนจะเพื่ออะไรนะั้นขอหมกเม็ดไว้แล้วก็มาทํางานเราจะพยายามจัดชาระําจัดหรือว่าก้าทาสิ่งที่ไม่ดีให้ออกให้หยุดอให้หายไปสิ้นไปจากมหาจักรวาล น, นี้เลยเราก็พยายามทําสิ่งไม่ดีไม่ไม่มีอยู่ในมหาจักรวาลเอาสิ่งที่ดีไว้ เท่าที่เราจะทำได้มันตอนนี้เราก็กำลังจะทำสิ่งหนึ่งให้ดับไปทำสิ่งหนึ่งให้เกิดมาเรากำลังพยายามสุดวิสัยเราไม่เอาชนะไม่เอาแพ้เราพยายามพาคเพียรจนสุดที่จะแพ้ก็แพ้แพ้ก็แพ้จะตาสามแต่ดวงใจเราทรงความมั่นคงมุ่งมั่นทำต่อชาตินีไม่ได้ชาติหน้าเกิดต่อทำต่อทาต่อเรารู้จักชาติดี เพราะฉะนั้นเราจะทำให้เกิดชาติและเราจะทำการดับชาติเราจะทำให้เกิดชาติและจะทำให้ดับชาติให้ได้เราจะยังอยู่เท่าที่ชีวิตเราจะอยู่แล้วเราก็จะทำสิ่งที่ควรจะอยู่ประเทศไทยควรจะอยู่ต่อไหมอาประเทศไทยควรจะอยู่ต่อควรจะเป็นชาติ เขาจะเกิดเป็นประเทศไทยต่อๆไปอีกเรามีหน้าที่เป็นพลเมืองของประเทศเราจะทําให้ประเทศไทยเกิดต่อแล้วจะให้เกิดต่ออย่างที่มันตั้งอยู่อย่างเป็นสุขอบุญอยู่อย่างดีอยู่อย่างสมดุลหรือไปหาทางเจริญเจริญคือผู้รู้รู้ว่าอะไรที่สูงสุดและรู้ว่าอะไรที่หมดสุดสูงสุดที่ควรมี หมดสุดที่ควรเกลี้ยงสนิทแล้วก็ทําได้ทั้งสองอย่างคนทําได้ทั้งสองอย่างนั้นของตนเองเรียกว่าอมตะบุคคลธรรมะอนั้นเรียกว่าเป็นความสําเร็จนั้นยิ่งใหญ่เรียกว่าอะตัมมะยังอะตัมมะยังเลยว่ามันสําเร็จมะยักษมะยังมะยานี่แปลว่าความสําเร็จสําเร็จเป็นสภาพนั้นขึ้นมาเลยว่ามะยังมยามะยังมะยังอันเป็นเราเนียมะยัง มายังพันเตวิสุงวิสุงรักนันทายขอเราขอให้เราเราจะมาสมาทานเราจะมาปฏิบัติเราจะมาป ร, ระพฤติอันเป็นเร า, าเพราะฉะนั้นมายัางที่มโนโมโน ม, มยะใจนี่แหละจะเป็นตัวทำให้เกิดความสมเด็จเราจะต้องทำให้เป็นพลังใจมณะสิการ์หรือมณะมโนเนี่ยจะทำให้มันเป็นตัวพลังงาน เป็นตัวความสามารถเป็นตัวกระทาจริงกะทำสําเร็จจะสําเร็จขึ้นมาได้เพราะน้เขาจะเข้าใจองค์รวมตั้งแต่องค์ประชุมรวมกันเรียกว่ากายคนที่มีดวงตาสามารถมองกายออกได้กายในองค์ประชุมนะองค์ประชุมของรูปและนามมีทั้งรูปและนามนะกายไม่ได้ขาดแขนไม่ได้ขาดเขิน และผู้ศึกษาได้ถึงปรมาทสูงสุดก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องรูปเรื่องรูปรูปอยู่ข้างนอกรูปคือของหยาบรูปคือสิ่งที่สัมผัสได้สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกทิ้นกายสัมผัสแต่ถาวรนอกสิ่งที่สัมผัสได้เราเรียกว่ารูปประกาย รูปะรูปังสิ่งที่มันเป็นรูปในตัวมันเองเรียกว่ารูปะรูปังเสร็จแล้วมันมป น, นองค์ประชุมของนามนามคือตัวไปร่วมรู้มรทมพันธ์กันมีปฏิสัมผัสพอสัมผัสแล้วมีสัมพันธ์กันรู้ว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เพรา ะ, ะนั้นคนมีนามมาทําในตัวเองมีจิตปัญญา ต, ต้องรู้ว่ามีประเทศตนเองเป็นคนชาติไหนประเทศไหน ก็จะต้องเอาภาระดูแลประเทศดูแลชาติไม่ในคนไม่มีชาติไม่มีประเทศแล้วคุณยังมาอยู่แผ่นดินนี้ก็ทําไมแล้วมันเกิดอยู่ที่นี่ทําไมชาติอยู่ที่นี่ทําไมคุณก็ต้องไปอยู่แผ่นดินอื่นแล้วก็ไปเกิดอยู่ที่อื่นใช่ไหมคุณจะเกิดทางร่างกายแล้วจะคุณจะเกิดทางจิตวิญญาณคุณก็ห่อปอะกายกับวิญญาณของคุณไปไม่ใช่กายรูปร่างคําว่ากายในภาษาไทยในหน้าทา้องสาม เพราะกายนี่มันลึกซึ้งกว่าคําว่ารางลึกซึ้งกว่าคำว่ารางมันเป็นกายการรมหรือเป็นธรรมกายเป็นกายแห่งธรรมะที่ลึกซึ้งมากคนที่ไม่มีปัญญารู้เรื่องธรรมะที่เป็นกงค์ประชุมเนี่ยก็เข้าใจเป็นเรื่องลอยลมเรื่องเพ้อฝันเรื่องที่มาในฝันเนี่ยคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องกายของธรรมะจริงๆเนี่ย เขาจะอยู่ในบีมารในฝันเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ในภพที่จะเสพเสพรู้ราผู้ฝ่ารสชาติงดงามใหญ่โตมโหฬารซึ่ ง, เ ป, เ, ง, งเป็นเรื่องของโลกีเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของทุนนิยมสามานเป็นเรื่องของคารมโมหารเป็นเรื่องของความหวานความไพเราะเป็นเรื่องของโลกโลกมอมเมายอ่ยอย่วยอมจนเลี่ยนหมดเลย มันโอเวอร์ไปหมดมันเกินเลยไปหมดมันมากเกินทุกอย่างอัตราก็มากเกินกามก็มากเกินรูปรลกเกณฑเสียงก็มากเกินอัตราก็มากเกินโดยไม่เข้าใจอัตราคืออะไรไม่เข้าใจว่าการคืออะไรนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่เห็นอยู่อาตมาเห็นอยู่แต่พูดเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอเพราะว่าเขาจมอยู่ในความมืดพวกนี้ตกไปอยู่ใน สเปซตกไปยืนในห้วงอวกาศเรียกว่าเทหาวัตถุแท่งทึบไอ้อวันนี้ในใจเข้าเรียนแนวแนวลึกไม่นี่อาตมาออกแนวกว้างไปมากแล้วนะเนี่ยเอาเดี๋ยวๆค่อยๆชักใบให้เข้าสู่แนวลึกนะถ้าไปแนวกว้างมันก็จะไปกว้างจนกระทั่งโอ้โหถ้าไปเทหาวัตถุแท่งทึบเนี่ยมันก็จะไปอวกาศแล้วมันก็จะหมดอเอกภพเลย เพราะฉะนั้นก็ขอเข้าเป้านิดหน่อยแล้วก็จะสรุปทิ้งในสเปซหรือในอวกาศทั้งหมดนี่คือมหาจากาักระบบเรื่อวประเอกภพถ้าใครไม่มีดวงตาไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญาไม่มีวิชาคนนั้นกระโดดเข้าไปใน l a ล k h โฮ e กระโดดเข้าไปในรุมมืดแล้วก็ถูกรุมมืดนักกลืนกินตัวไปโดยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหลงอะไรเป็นสัตว์ให้ถูก ข, ขยาแต่ตัวเองก็หลงขยาไปซับซ้อน อยู่ในความมืดพวกสัตว์ในความมืดนั่นทว่าวัตถุ RI แท่งทึบนั้นก็คือทุกอย่างที่กว้างใหญ่เรียกว่าสเปซมันก็เคลื่อนตัวเพรามันอยู่แต่คนไม่รู้มันก็เคลื่อนตัวอย่างมืดมันไม่รู้เลยว่าเคลื่อนตัวเป็นอะไรเป็นอะไรมันไม่รู้เลยตัวเองเป็นดาวฤกษ์ตัวเองเป็นดาวเครเเาะ์ตัวเองเป็นดาวสะเก็ดเป็นอุกาบาทเป็นดาวหางเป็นขี้หมาอะไอยู่ในอวกาศนั้นเต็มไม่หมด อ่าเป็นควันเป็นเอ่อบิก๊กแบบเป็นอะไรต่างๆนั้นะสารพัดอยู่ในนั้นอ่ะเท่หของวัตถุนในรวมอะไรไว้หมดแท่งทึบมืดดำส่วนผู้ที่มีดวงตามีแสงสว่างมีวิชามีความรู้จะเห็นแจ้งชัดหมดเลยอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรอะไรสัมพันธ์กับอะไรอะไรมีประโยชน์กับอะไรอะไรมีโทษกับอะไรจัดการสิ่งที่เป็นโทษออกไปออกไป เมื่อจัดการตั้งแต่จักรวาล น, น้อยจัดการในสิ่งมีโทษเราไปได้แล้วอย่างชาว โ, โรงเรานี่เปรคาวานน้อยเราขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปทั้งรูปทั้งนามทั้งวัตถุทั้งนามมาตามที่ไม่ดีเอาออกเอาออกแล้วเราก็อยู่กันด้วยวัตถุและนามที่มีสิ่งแต่ที่ดีสังขารกันอยู่สังเคราะห์กันอยอย่างเจริญ จบสเปซแ n นทายออฟคอนติเนวัมจะเป็นของไอน์สไตน์ทิ้งไว้ก่อนยังไม่ขออธิบายไอน์สไตน์เอามาให้คนรู้แต่ไม่สามารถบังคับเลยตายไปได้วยความเจ็บอกเพราะคิดอันนี้ขึ้นมาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกัน้นให้คนเขารับอันนี้ไปไปทําสิ่งที่ประเสริอนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ ได้แต่คนเอานิวเคลียร์ไปใช้ในทางประ ห, ร ป, ระหรปลาดๆทำลายเช่นเอาไปสร้างระบบปรมาณูไอน์สไตน์ก็เลยเป็นเจลยี่รากเลือดตายไปด้วยความระทมอาตมากรู้แผลอันนี้แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันเกิดเพราะไอน์ไอสไตน์อาตมาเป็นโพธิสัตว์เป็นเพื่อนกันแต่มามากันคนละวาระมาทำงานกันคนละ อาตมาถือว่าไอน์สไตน์คนพบความรู้อันหนึ่งให้แก่โลกแต่ไม่ประสบผลดีตรงที่ว่าระ ง, งับอันนั้นไม่ได้โซดาตมาก็จะสืบสารต่อไปอาตกลง s p ปซแอนทายอ e of Continuum ปิดฉากไปก่อนมาพูดถึงนมามธรรมวันนี้วันสำคัญอยากจะเข้าหานมามธรรมตั้งเป็นแนวลึกและไทยไทยก็เป็นพุธ ไทยก็ตั้งใจเอาอันนี้มาเป็นหลักของชีวิตของประเทศแต่ข้อไปแล้วพุทธศาสนาเมืองไทยมันขาเปไปแล้วไม่ใช่เปธรรมดามันหักหลายท่อนเลยเดินเดินไมไ่ได้แต่ครุกครานก็เสือกกสนอยู่เพราะมันหักเป็นหลายท่อน อาตมากขต้องมาต่อต้องมาต่อขาพวกนี้ต้องมาเชื่อมขาพวกนี้ให้เดินได้จะเดินได้แค่ใดก็มีความหวังอยู่ว่าให้มันไปถึงห้าพันปีมีความมุ่งหมายให้มันต่อไปได้ถึงห้าพันปีก็จะมาต่อชาติและมาทําลายชาติไม่พูดน่ากลัวทําลายชาติชาติที่เป็นอกุศลของจิตต้องทาลาย ทำลายให้ได้มากที่สุดจนเกลี้ยงได้ก็เอาส่วนชาติที่ดีความเกิดที่ดีต้องให้เกิดให้แข็งแรงให้อุบัติขึ้นอย่างสมบูรณ์เพระเาะฉะนั้นผู้จะเข้าใจวาความเป็นชาตินี้ก็จะต้องรู้ในนามธรรมา ท, ที่พระุทธเจ้า ต, ตรัสไปในปัมปิฎกเล่มสิบหท่านแจกวิพังเอาไว้ว่าชาตินั้นมีเอามาใช้ห้าคำห้าคำนี้เป็นคอนเทกต์ข้อภายเป็นคอนเทนต์ เป็นตัวเล่นสามเป็นตัวเล่นห้าตัวหนึ่งธรรมชาติใช้พยัญชนะวาชาตสองสัญชาติสามอกันติสี่นิพพติห้าอภินิพพตินาอยู่ในปฏิปิฏกเล่มสิบหข้อเจชาติมีความเกิดท่านมาแปลเป็นไทยกันแปความเกิดความบังเกิดสัญชาติแปลว่าความบังเกิดโอกกันติท่านแปลว่าควา ม, าาวาวามยังลงส่วนนิพพติท่านแปลว่าเกิด ถ้าให้อัตมาแปลคำนี้นิพพติก็แปลว่าเกิดอย่างประมัดหรือเกิดไปสู่นิพพานเกิดไปสู่นิพพานเกิดไปสู่ตายเกิดไปสู่ศูนย์เกิดคือชีวะศูนย์คือดับชีวะดับชีวิตติมซีน่แล้วเดี๋ยวขยายความเี่ยจะขยายรูปที่เป็นชีชวิตติมซีคืออะไรก็จะขยายรูป2ี่แปดวันนี้ตั้งใจฟัง จะขยายไปถึงรูปยี่บแปดนามยังไม่ต้องพูดเพราะว่ายัางละเอียดกว่าอีกเอาเข้าใจรูปยี่แปดก่อนแล้วคุณก็จะเข้าใจนามเป็นโครงสร้างแล้วไปปฏิบัติได้นะมัถึงยิ่งไปคนิพพติมีการเกิดที่ท่านแปลเป็นไทยไว้ในพระไตรปิฎกว่าเกิดเฉยๆคำเดียวถ้านแปลไม่ออกอัตมาเชื่อว่าท่านไม่เข้าใจมันคือเกิดไปทางนิพพานนิพพติเนี่ย ยิ่งไปสุดท้ายอภินิพัติก็เป็นการเกิดเป็นนิพพานถึงขั้นอภิเลยยิ่งยอดและ ย, ยิ่งใหญ่เลยก็คือฐานนิพพานอภินิพัติก็คือนิพพานฐานนิพพานเพราะการเกิดนิพพานฟังซ้อนนะนิพพานแปลว่าตายแต่อัตมากำลังพูดถึงการเกิดของความตายเด็กๆอาจจะ ยากนะผู้ใหญ่ที่ก็ฟังดีๆหมุนสมองให้ทันสมัยวันนี้อาจจะหนักนิดหน่อยแต่จะพยายามทำให้เบาเป็นลัคุตาพยายามจะทำให้เบาเป็นลหุตาได้ให้เข้าใจได้เร็วเป็นมุตุตาให้ได้ให้ไวให้เร็วให้ได้มุตุตาเป็นลหุนตาให้เบาให้ได้นั่นเป็นลักษณะรูปลักษณะรูปมีลหุนตา แล้วก็มุทุตาแล้วก็กรรมัญญาตากรรมัญญาตานี่คือเอามาทํเเอามาทำงานได้เป็นกรรมเป็นการจะทําเป็นการงานเป็นแรงงานแล้วประกอบไปด้วยอัญญ์อัญญาอัญญ์อัญญาแปลว่าความฉลาดของสิ่งเป็นความฉลาดทางโลกุตระเป็นปัญญาโลกุตระอัญญาสิวัตโพกนัญโย น, นั่นแหะเป็นความฉลาดทางโลกุตระอัญญา มาทำงานกรรมบัญญาเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญาขั้นอัญญาแล้วก็มีกรรมอันเป็นสมาธิทิเป็นกรรมเป็นการกระทำแล้วคนนั้นก็คือทำกรรมบัญญาอยู่ในโลกต้องมีทั้งอาตมาที่ทำกรรมบัญญาอย่างยิ่งกรรมปัญญาเป็นองค์ธรรมหนึ่งในอุเบกขาห้าอุเบกขามีองค์ธรรมห้มีมุตุธาตุมุตุแล้วกกรรมบัญญาและก็ทางาน มันต้องทำด้วยกายกรรมัญญาองค์ประชุมของกรรมัญญากายกรรมัญญาบางคนที่ไม่รู้จักความเป็นองค์ประชุมและก็ไม่รู้จักกรรมัญญาเขาไม่รู้จักเขาก็ใช้ไม่ได้แต่อัตมารู้จักอัตมาเขาใช้ใช้เป็นมันเป็นนามธรรมคำว่ากายนี่เป็นนามธรรมจริงๆมันเป็นนามธรรมคาว่ากาย นะเพราะฉะนั้นใครเข้าใจนามมาทําอย่างลึกซึ้งละเอียดไปเข้าใจอย่างลึกๆ ล, ลั บ, ลบมาเป็นแม็กแมกจิคอลอยู่มันไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องที่ไม่กระจ่างไม่มีดวงตาไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างเข้าไปสู่เทหะวัตถุถแท่งทึบเข้าไปสู่แบล็คลโฮลมันก็ไม่รู้เรื่องทําอะไรไม่ได้นะแม้าอาตมาอาจจะพูดภาษาอะไรจ ะ, ะไรนี่คนที่ พอเข้าใจภาษาที่อาตมาพูดทุกคําได้นี่นะและเข้าใจดีกว่าอาตมาอีกนะนู่นความหมายภาษาต่างๆอาตมาก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นแหละอย่างแค่เดินกิ่งกือนะภาษาอังกฤษก็ดีภาษาบาลีก็ดีภาษาไทยก็ตามแต่เอามาใช้ตามภูมิเพออราะเรามีตัวนี้ถ้าอาตมาพูดภาษายวนได้ก็จะมาใช้แต่มันพูดไม่ได้อ่าภาษาจีนใต้เอามาใช้แต่มันไม่ได้มันได้แค่นี้ก ข, ขอแค่นี้ อ่าที่จึงมาได้อีพันศานึ่งภาษาอีสามแต่ว่าอย่าเลยมันจะมากไปเอาไทยก็พอแล้วน่เดี๋ยวมันจะเลอะเยอะเกินไปมันเลอะทีนี้การเกิดห้าอย่างนี้ถ้าใครเข้าใจสภาวะเข้าใจเนื้อหาของมันหมดเลยได้คนนั้นก็จะสามารถที่จะเอาปมารมทําให้เกิดเพราะ ใ, ใครเกิดอยู่ในระดับองค์รวมเรียกว่าชาติสัญชาติแปลว่าเกิดฝังฝังอยู่ในใจมา และก็มาเป็นตัวอัตโนมัติเป็นตัวสัญชาติเรียกว่าสัญชาตญาณก็ใช้ตามปัญญาของตัวเองตามสัญชาติยังไม่เคยกะจากหรอกนะมันเป็นเองมันเป็นไปยังไงก็เป็นยังไงเป็นตัดตามมันได้เต่านั้นก็ตอนนั้นตามสัญชาติแต่มันก็มีปัญญารู้สัญชาตญาณเนี่ยสัตว์โลกทุกตัวมีสัญชาตญาณก็ใช่ตามสัญชาติซึ่งไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นเงี้ยเป็นเองอมันก็เกิดไปตามนั้น จนกระทั่งเรามาศึกษาเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยอันี้ไม่ให้เกิดอันนี้ให้เกิดจนกระทั่งเราทําสําเร็จจึงเรียกว่าโอกตันติเป็นการเกิดที่จะทําให้อย่างลงมาในจุดที่เราต้องการอันี้ไม่ให้เกิดไม่ให้มันเกิดเราทําให้ไม่ให้เกิดสําเร็จเราเกิดเราทำใอ้ที่ไม่ให้เกิดสําเร็จเราเกิดฟังเข้าใจไหม ไอ้ที่เรานี่แหละเรานี่แหละไอ้ตัวมันเกิดอยู่เนี่ยจิตอัคุสโลจิตของเรามันเกิดอยู่เราทําให้อัคุสโลจิตของเราตายไม่เกิดได้เราเกิดเกิดเป็นเทวดาเกิดอุบัติเทพเกิดเป็นวิญญาณใหม่เป็นวิญญาณที่ถูกสํารอกอิเลตออกนิพพติเป็นนิพพติเพราะฉะนั้นเมื่ อ, อยังลงได้ก็นี่แหละคือเริ่มเกิดอย่างมีปัญญาประกอบโป ก, กันติ ทำให้ตายอย่างมีปัญญาประกอบทำให้เกิดอย่างมีปัญญาประกอบแล้วก็เกิดพอเกิดไปมากขึ้นก็สั่งสมเป็นนิพพตินิพพติเกิดเกิดเกิดที่สุดก็เป็นอภินิพพติอ่าสรุปการเกิดห้าประการปิดฉากยังจะมีการเกิดอีกอื่นอีกเยอะและมีการตายอื่นอีกเยอะตอนนี้มาดูการเกิดที่อาตมาอธิบายไว้ในหนังสือธรรมะที่เป็นพุทธ ยังไม่ได้เรียบเรียงดีเท่าไร่เพราะเขียนไปตอนนั้นก็ยังเขียนตามภูมิถ้ามาเรียบเรียงตอนนี้จะสวยก็นี่เยอะอาตมาก็จิบมาที่มันเขียนไว้แล้วนี่นะ่ะมันไม่ได้มีเตรียมตัวก็เลยคว้ามาคว้ามาแล้วก็มาให้คนนั้นช่วยมันเปิดหน่อยหน้าไหนมันพระพูดถึงอันนี้มั่งแต่แสนดินก็เปิดให้เอาอยู่หน้านี้ห น, นหน้านี้บ้างไม่รู้ครบหรือเปล่าแต่เอาละไม่ครบก็ใช้เท่าที่ได้อ่า การเกิดเราก็พูดถึงตีกรอบขึ้นมนก่อนคอนเซปต์ตว่าตีกรอบคอนเซปต์เนี่ยรวมไม่หมดเลยนะคอนเซปต์เนี่ยตีกรอบอเป็นองรวมของทุกอย่างที่เราจะมีภูมิรู้รลับรวมไว้เรียกว่าความรู้องรวมในองรวมนั้นมีคอนเทนต์มีคอนเท็กซ์อีกที่นึง แล้วเราก็มาดูว่าเอารองรวมนี่มันจะมีอะไรบ้าง อ, าองรวมนี่เหมือนประเทศเราตีคอนเซปต์นี้ว่าประเทศตัดกรอบตัดกรอบองรวมนี่ไปเป็ น, เ ป, นเป็นปริเฉดหนึ่งเรียกว่าคอนเท x กซ์หนึ่งในคอนเท x กซ์นี่มันมันจะมีทั้งต้นและปลายกลางรวมหมดเลยคอนเทกซ์เนี่ยตอนนี้เรามาพูดถึงคอนเท็กซ์ย่าง ยัางหยาบหยาบตัวนี้เราตีกรอบว่าประเทศการเกิดที่หนึ่งคือการเกิดของประเทศาการเกิดของประเทศาการเกิดที่หนึ่งตอนนี้เราก็ประเทศประกอบไปด้วยอะไรประเทศประกอบไปด้วยแผ่นดินขอบเขตของแผ่นดินแล้วก็มีมนุษย์ อยูเป็นเจ้าของประเทศในมนุษย์ที่เป็นเจ้าของประเทศก็มีระบบระบบของประเทศไทยคือระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาตมาจะไม่ลงลึกในรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มันจะยาวอีกเพราะงั้นก็มันก็อยู่กันอย่างระบบหรือระบอบนี้ดําเนินชีวิตกันอยู่ด้วยหลักเกณฑ์วัฒนธรรมก็มีพฤติกรรมอยู่ใน ประเทศแบบนี้หนึ่งการเกิดของประเทศสองการเกิดของสัตว์ก็คือมนุษย์และทุกๆสิ่งที่เป็นชีวะรวมทั้งดินน้ำไฟลมทุกอย่างมาหาปูต ร, รูปทุกอย่างพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวเ่าต้องการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวคือพลังงาน พลังงานปรวมตัวเป็นดินพลังงานไปรวมตัวเป็นน้ำพลังงานไปรวมตัวเป็นลมเป็นไฟรวมแล้วแต่มันอยู่ร่วมกันไปทำงานร่วมกันทั้งสิ้นนะเพระญญาะนั้นเมื่อมันประชุมรวมกันก็เกิดเรียกว่าสังขารสังขารที่เป็นวัตถุธทรมมันก็เป็นดินน้ำไฟลมไปสังขารที่เป็นนา ม, มาทำร่วมก็เรียกว่ารูปประกายรูปประกาย เพราะคำว่ารูปนี้ขาดดินน้ำไฟลมที่จะต้องสัมผัสไม่ได้ขาดไม่ได้รูปประกายจะต้องประกอบไปได้วยดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นดินน้ำไฟลมมนุษย์ชาติทุกอย่างสัตว์โลกทุกอย่างอยู่ในประเทศนี้หมดต้องรับผิดชอบโดรวมด้วยเป็นอินเวอร์โมนตต้องเป็นสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบครบ คุณจะไม่ดูดำดูดีเออดินน้ำไปลมจะเน่าอทะเลมันถูกน้ำมันเน่าอข้าวมันจะเน่าคนมันกำลังจะเน่าคนมันกำลังตีกันเน่าอมันตายแล้วมันก็เน่าทำามตีกันมันก็ตายเพราะเน่าเราจะไม่รับรู้เลยไม่เอาภาระไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่ด่ต้องเกี่ยวข้องมากหรือน้อย ต้องเกี่ยวข้องมากหรือน้อยตามฐานนะสรุปแล้วก็กคือการปรุงแต่งเป็นชาติขององค์ประกอบของรูปประเทศรูปในเป็นรูปกายของประเทศหนึ่งเป็นแผ่นดินดินน้ำไฟลมมันไม่รู้เรื่องมีสิ่งบรรจุอ ย, อยู่ในดินน้ำไฟลมนั้นดินน้ำไฟลมนั้นมีชีวิตติดซีมีชีวะขึ้นมา และชีวะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ไดโนเสาร์ยุคนี้ยุคนี้ที่เป็นสัตว์โลกที่อยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เอาจะกินกินกินกินหมดตายเองกินพืชหมดเลยกินยังเดียวไม่ทําอะไรกันไดโนเสาร์เราจะกินพืชหมดมันก็กินสัตว์ด้วยกันเอง นักเก้ามันกินสัตว์ด้วยกันเองมันกินตัวที่มันกินสัตว์ตัวสุดท้ายเสร็จหมดมันก็ไม่มีอะไรจะกินมันก็เหลือแต่ตัวมันเองมันก็กินตัวมันเองจนกระทั่งสุดท้ายมันก็ตายฟังทันไหมแต่วความทไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายคือไดโนเสาร์ตัวที่กินตัวเองแล้วก็ตายตั้งแต่กินขี้กินขี้กินเยี่ยวจนกระทั่งกิน ค่อยๆกินขาค่อยๆกินแขนค่อยๆกินอะไรได้มาจนกระทั่งกินเข้ามาหมดจนมาทั้งถึงหัวจนกระทั่งถึงหมดหัวใจสิ้นเกลี่อนฟังไหวไหมรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นในโลกยุคของไดโนเสาร์จบไปฟารัสิกนะจุรศิษฐ์จบไป มายุคนี้ก็เกิดใหม่จเจริญขึ้นกอดเก่าและเป็นการจเจริญจะเป็นยุคสุดท้ายแล้วด้วยยุคสุดท้ายของวัตฏสงสารในโลกใบนี้ต้องพูดถึงต้องมีการจํากัดนะว่าโลกใบนี้โลกใบอื่นมันมีแปลกต่างกว่านี้ไม่พูดอาภินใจเกินไปพูดแค่นี้แค่โลกใบนี้นะะี่ครับ ไอจนกระทั่งจะไม่มีแรงจะไอแล้ว <c oughs> เมื่อถึงยุคนี้มนุษย์เป็นตัวศักว์โลกชลาดก็ไดโนเสาร์มากร้ายการก็ไดโนเสาร์มากแต่ดีก็ไดโนเสาร์มากเพราะฉะนั้นคนส่วนดีก็มาทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ได้ ยิ่งมันใกล้กรียุคคนเลวหรือคนโง่จะมากขึ้นเหมือนก็อย่างที่กวีของโบราณที่อ่านผ่านไปแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้ไปประหลาดอะไรเลยว่าโอ้ยพวกอาโศกมันคนส่วนน้อยคุณพูดถูกต้องแลวครับจนหมดห้าพันปีอาโศกก็จะน้อยไปจนกระทั่งศูนย์หมด ไม่บางอาจที่จะบอกว่าคนอสโศกจะเป็นส่วนใหญ่เลยในกึ่งพุทธกาลนี้พูดไม่ได้ยุคพระพุทธเจ้าเขาน้อยแล้วต้องเรียกว่าคนน้อยแล้วจนพระพุทธเจ้าปริวิตตกจะไม่สอนแล้วเพราะสอนแล้วมันจะไหวแล้วนี่เรือน้อยเหลือเกินเพรา ะ, ะนั้นท่านที่เป็นองค์สุดท้ายที่สอนได้เป็นพระพุทธเจ้าจบหลังจากนั้นพระเจ้าหมดสิทธิ์เกิดเสียศักดิ์ศรีพระเจ้ามาเกิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าอะไรวะ สอนคนให้มัน อ, อาหันได้แค่นี้เสียหมดไปไม่รอดแล้วนะไปไม่รอดแล้วในจำนวนของ quarter หนึ่งร์ a r t e r หนึ 1, ่งนี่มันยี่สิบห้าพันสองร้อยห้าสิบนี่มันก็คือครึ่งหนึ่งของห้าพันอ้าว1ันสรไม่ใช่คือ1งหนึ 5, ่งของห้าพันเอ ่ะเออสองพันห้าร้อยควอเตอร์หนึ่งคือสองพันห้าร้อยครึ่งหนึ่งของสองพันห้าร้อยคือพันสองร้อยห้าสิบพระพุทธเจ้านี้ได้แค่ครึ่งหนึ่งของควอเตอ ร, อร์มันสุดแล้วสุดแล้วมันครึ่งหนึ่งของสี่ส่วนในร้อยแล้วอ่ามันส่วนโอ้โห สุดแล้วหนึ่งในแปดแล้วเพราะฉะนั้นจบกันทีงนะไปซอยอีงไม่ไหวแล้วนหนึ่งในแปดแล้วเนี่ยท่านหนึ่งเกินแปดไปนีเลขสองตัวแล้วหมดสิทธิ์พระพระเจ้าจะต้องแค่หนึ่งในแปดเท่านั้นเพราะใช่ไม่ได้ไม่เป็นเอกในโลกเอกในโลกก็แค่สูงสุดก็สิ์ มัเกิดสิ่นี้ไม่ได้เ อ, เอาละมันจะพูดอาจินไตพวกนี้ไกลเกินไปไม่ไหวก็ขอพักแค่นี้ไว้ก่อนก็แล้วกันสรุปแรกก็คือว่ายุคนี้เนี่ยก็เป็นไปตามยุคอาตมาไม่ได้ตก อ, อกตกใจไม่ได้แปลกใจเขาบอกว่ากําลังส่วนน้อยเป็นคนส่วนน้อยน้อยแล้วน้อยนี่ไปไปทําลายใครหระไอ้ใหญ่ที่ไปทําลายคนนี่สิโง่เรวไอ้ใหญ่ไปเบียดเบียนคนไปทําลายคนนี่ทั้งโง่ทั้งเลว็ว แต่คนน้อยแต่เป็นคนที่เกื้อกูลผู้อื่นยิ่งน้อยยิ่งเกื้อกูลผู้อื่นได้ดีไม่ดียิ่งเป็นหนูช่วยราชสีได้เลยเนี่ยนั่นแหละประเสริฐ น, นะเพราะาเราจะเป็นน้อยน้อยอ ย, ยังไงก็ไม่หวาแต่เราจะต้องมีคุณค่าความดีให้แก ม, มวลมนุษยชาติหรือโลกเราจะเป็นคนเช่นนั้นเพราะฉะนนั้เราจะไม่เอาชนะฆ่าขานว่าเราจะต้องใหญ่เราจะต้องมากเราจะต้องเก่งอะไรก็ไม่ เราทำเท่าที่เราทําได้ขอให้ชัดเจนว่าดีคืออะไรคุณค่าคืออะไรประโยชน์คืออะไรอสิ่งที่เป็นกุศลเรียกเป็นภาษาบาลีก็แล้วกันคืออะไรแล้วก็ยังกุศลได้ถึงพร้อมตอนนั้นจบจะตายอีกี่ชาติก็ทําอย่างนี้ถ้าไม่ปรินิพานสูญสิ้นไปก็ทําอย่างนี้มีกรรมกิริยาอยู่กับกาละก็ทําอย่างนี้ไปตลอดกรรมกับกาละอนี่รันดร เอาทีนี้มาเข้าสู่การเกิดการตายของรูปกับนามนาการเกิดการตายของรูปกับนามวันนี้จะตั้งใจขยายให้ฟังอย่างลึกซึ้งละเอียดหน่อยบอกตัวจบให้ฟังนิดนึงว่าตัวจบจริงๆของรูปนามที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยนามที่ละเอียดเข้าไปก็เป็นนามรูปหรือนามะมากาย ก็คือลัอกษณะของจิตเจตสิก ต, ต่างๆรูปก็เป็นรูปทางจิตเจตสิกไม่ใช่รูปของวัตถุธรรมแต่ไม่ทิ้งนะพ่อเราไม่ได้ทิ้งอะไรสิ่งที่มีในโลกเราไม่ทิ้งอะไรถ้าเราเกี่ยวพันถึงอยู่เช่นเราอยู่ในโลกลูกนี้มันก็อยู่ในวงโครจรนี้นอกวงโครจรไปแล้วก็เกี่ยวข้องยากแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกไปนอกโลกไม่ต้องไปวุ่นวายกับ เ, เรื่องยาน นอกโลกแล้วก็จะไปอซื้อตั๋วไปนั่งทัวร์อากาศอะไรยนี่ไม่ต้องอไม่ต้องอเอาแค่ในนี้ยจํากัดอยู่แค่ขอบเขตนี้นะเอาแค่คอนเทนต์นี้เอาแค่ตัวเล่นที่มีอยู่ในนี้พอแล้วมีตัวเล่นอะไรบ้างนะดิจะเรียกว่าสารบัญ หรือว่ามีตัวอะไรมั่งตัวอะไรอยู่ในกระดานนี้มีหมากมีคุณมีมีเรือมีม้ามีโคนอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้นี่มีคุณก็เล่นใด้ดีในนี้เท่านั้นเองตัวเล่นเขาเรียกว่าสารบัญคือรวบรวมหมวดหมู่ของตัวเล่นเอาไว้ในตัวเล่นมีตั้งแต่หยาบถึงละเอียดไปถึงสุดนิพานเลย อากที่สุดของแต่ละตัวเล่นเพราะฉะนั้นแต่ละบทแต่ละบทรวมหมดเลยเรียกว่าปริรอบหมดเลยเรียว่าบทแต่ละบทนั้นมันจะมีอะไรบ้างเรียกว่าคอนเท็กซ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเท็กซ์ภาษาไทายเรา ม, มาแปลว่าบริบทหรือในบริบทนี้มันมีปริเชตมันมีส่วนแบ่งเชตนี่คือแบ่งเป็นส่วนๆส่วนๆส่วนๆจากปริเชตจากแต่ละบริบท มาเป็นปริเชและก็ขยายเนื้อในของปริเชนไปตั้งแต่หยาบไปจนกระทั่งถึงที่สุดถึงศูนย์ถึงหมดไม่มีอะไรก็จบเพราะเราจะต้องรู้ว่าความไม่มีอะไรนะั่นต้องถูกรู้โดยเราเราต้องมีาธาตรู้มีจักสุมีดวงตามียานมีปัญญามีวิ ช, ชามีแสงสว่างไม่ใช่รู้อย่างมืดมืดรู้อย่างดำน้ำรู้อย่างแมจิคอลไม่ใช่ รู้อย่างสว่างแจ้งเป็นสัจจคตวาสัจจิกรณะหรือสัจจกิริยารู้อย่างแจ้งชัดทุกอย่างไม่กลุมไม่คลําเป็นวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องแท้จริงเพระเาะฉะนั้นมาเริ่มต้นเริ่มต้นตามรูปที่เราจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เป็นรูปยีสบแป ก่อนจะเริืมรูปก็บอกชาติหนึ่งชาติประเทศนะหนึ่งชาติประเทศสองชาติสังขารชาติปรุงรวมอยู่ทั้งแผ่นดิน <c oughs> <c oughs> มหาปุตรรูปไปจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่ในสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณอยู่ในนั้นในตัวรวมกันอยู่ทั้งหมดเรียกว่าสังขาร เรีว่าการรวมประชุมกันอยู่เพราะงั้นการเกิดชาติของสังขารก็รก็จะต้องเรียนรู้หนึ่งชาติประเทศพูดถึงความรวมไว้ทั้งหมดใ น, นตัวที่ถูกรู้ทั้งหมดประเทศเองไม่รู้ตัวเองแต่ในประเทศคือคนจะต้องรู้ประเทศตัวเองรู้จักสิ่งที่บรรจุอยู่ในประเทศตัวเองคือคอนเทนต์นั้น คือตัวเล่นหรือตัวการหรือสารบัญแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรแต่ละองค์การแต่ละองค์ประชุมแล้วก็มันศึกษาแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรโรงการต่างๆกราบละเอียดที่ซ้อนซ้อน้อน้อนกันอยู่เป็นเรื่อว่าบริเชนให้ครบปริบทบริบทให้ครบคอนเท็กต์คอนเทกต์ T E X T คอนก็คอนคำประสาทคำว่าคอนก็โอ้โหละเอียดละอออาตมาก็พยายามเปิดดิกดูเหมือนกันแล้วก็เขียนเอาไว้เหมือนกันแต่เขียนไวน้ที่ไหนไม่รู้เอกสารอาตมาเยอะแต่มันสุรุย่ยสุร่ายมันทิ้งควางสอไปตรงนั้นสอบไปตรงนี้หยิบได้อะไรทันก็มาพูดไม่ทันก็วางไว้ก่อนแล้วมาต่อทีหลังอาตมาต่อเก่ง ต่ออะไรก็ติดอาตมาต่อหมดได้หมดนะจับไปหัวกับหามาต่อกันยังได้เลยแต่ไม่ขาดตัวกลางนะอนาตมาต่อไม่ขาดกลางมีกลางด้วยเอาหัวกระหามาต่อกันกลางมันอาจจะมีน้อยหน่อยแต่ไม่ขาดถ้าเอาตัว ก, กลางมาได้ครบมันก็จะสมบูรณ์ตัวมั น, นเอาเดี๋ยวจะแวะมากเกินไปรูปธรรมไม่ใช่รูปธรรมรูปยี่สิบแปดก็ทำไปแหละทรงอยู่แล้วว่าสิ่งถึงมีอยู่ หมดไม่มีธรรมแล้วไม่มีทั้งธรรมะไม่มีทั้งอะไรหมดเลยกับหมดความเป็นธรรมหมดสภาวะที่ทรงอยู่ทั้งหมดเลยเพราะงั้นอะธรรมก็แปลว่าสิ่งที่มีอยู่ที่มันไม่ดีเท่านั้นเองถ้าสิ่งที่เป็นไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรก็มีมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มีแล้วนี่คือศูนย์ศูนย์มันเป็นศูนย์ธาบเลย ไม่รู้จะเอาภาษาอะไรมาใส่เขาก็เอาคาว่าธาตุมาเรียนสุญญะธาตาุแต่จะเรียกสุญญตธรรมเนี่ยก็ซ้ำซ้อนอีกธรรมมันไม่มีหมดขาดธรรมมากก็เหลือแต่เท่านี้นะในรูปยี่สิบแปดแบ่งออกข้างนอกคือสี่ดินน้มไฟลมดินน้ำไฟลมนี้ชัดเจนไว้มันเป็นวัตถุธาตุข้างนอ ก, นอกดินน้ำไฟลม ในตัวมันเองเป็นย่งไรค่อยๆศึกษาเอาแต่มาจะไปลงลึกลงละเอียดไปหา ด, ดินคืออะไรน้ําคืออะไรลมไฟคืออะไรไม่ไม่ลงไปลงในรายละเอียด น, นั้นจะมาพูดในรายละเอียดของนามมรูปหรืออุปาทายรูปอันนั้นเป็นมหาภูตา ร, รูปเป็นรูปใหญ่มหาวิจัยดินน้าไฟลมทีนี้ต่อจากรูปใหญ่การต่อ น, นี้ต้องเชื่อม ต้องประกอบไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งดินน้ำไฟลมไม่ทิ้งต้องมีสัมพันธ์กันมีเรレーショหรือมีคอน t ิ n u วัมมีสัน ต, ติมีสัมผัสมีอายตนะมีสิ่งที่สองสิ่งทั้งรูปและนามไ ม, าานนะไม่ขาดกันไม่ขาดกันเกี่ยวเนื่องกันมาศึกษาและทำงานร่วมกันหมด เหตุปัจจัยน้อยลงไปเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักสี่นี่แล้วโดวยคนเนี่ยก็มาศึกษาตัดกรอบมากอะไรที่ตาหูจมูกรินกายมันสัมผัสได้มันจะเกิดมีอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าวิญญาณเราจะได้ศึกษาวิญญาณเป็นนามมาทำไปจนทะลุรอบหมดสูงสุดแล้วก็มาทำตรงนี้ทำที่มโนหรือวิญญาณ น, นี่แหละ พอทำวิญญาณขึ้นก็เรียกว่ามณ ะ, ะในการกระทำมณ ะ, ะมีการงานมณ ะ, ะทำเหมือนตรงนี้แล้วเขาเรียกว่ามณสสิการ์มณสิกโรติพอเร า, าจัดการเรียนรู้สิ่งที่เราจะทำได้ตกงลงดิม น, น้ำไฟลมมหาโพตรูปนั้นปล่อยไว้ก่อนนะปล่อยให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะ under stood เข้าใจแล้วนะหมายความว่าให้มันอยู่กันนั่นแหละทิ้งไว้ under ไว้แต่เข้าใจแล้วนะ stand under stand แ, แล้วก่อแล้วก็ stood สิมันช่องที่สามอ่ะคุณเข้าใจแล้วก็ทิ้งมันไว้เป็น under stood คุณก็ under stand แล้วอ่ะ คุณก็ทิ้งไปเป็นอันเดอร์สูรไปใช่ไหมคุณก็มาใช้อันนี้อันนูน้นพักไว้เราไม่กล่าวถึงแต่เราไม่ทิ้งเท่านั้นเองจบนะทีนี้มาเป็นอุปาทายรูปยี่สิบสี่ฟังดีอแตมาจะไล่พยัญชนะก่อนอาตมาไม่ได้ท่องนะแตอาตมาจำได้นะ ยี่สิบสี่นี่ก็ไม่ได้ทองดูดูว่าเออมันเรียงยังไงทอนนั้นเองอ้อมันเรียงอย่างงี้เรียงได้ชัดจบเลยไม่ต้องทองอาจจะกระรภาษาบางพยัญชนะย้ะายมันผิดนะบาลีเขาว่าตัว น, วนี้ตัวนี้สะกดอย่างงี้ก็ว่าไปให้มันตรงเขาเทอนนั้นเองเริ่มต้นรูปอันแรกเลยอุปาทายจะรูปอัแรกคือตาตาไม่ใช่เออตาหูจมูกรินกาย เรียกว่าภาษาทรูปต่อมาก็อันที่สองเรียกว่าโคจรรูปหรือวิสัยยรูปวิสัยยรูปโคจรรูปบรรดำเนินเป็นไปหรือวิสัยของมันที่จะเป็นไปเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีห้าห้าภาษาทรูปก็ห้า เขาจะรูปก็หาเพราะเวลาจะมาเรียนรู้ก็จะต้องเอาตามาด้วยหูมาด้วยจมูกมาด้วยลิ้นมาด้วยมามีด้วยเมื่อคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคุณก็จะต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคุณก็จะต้องมาสัมผัสถ้าไม่สัมผัสคุณไม่ได้ครบเรียนรู้ยังไงก็ไม่ครบไม่มีองค์องค์กายโยไม่มีองค์กายโย ต้องเรียนครอบองค์ประชุมมีทั้งตางหูจมูกลิ้นกายมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทีนี้ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่สัมผัสไปตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละมันก็จะเกิดวิญญาณทีนี้วิญญาณต่างๆนี่มันก็จะมีลีลาของมันตั้งแต่ภาวะรูปสองอย่างภาวะรูปมันก็มีสองชนิดหนึ่งอิตถิน4ี สองปุริสินสีหรือปุริสิทีภาวะกับปุริสภาวะภาวะนี่แหละภาวะสองภาวะภาวะหญิงภาวะชายภาเวะเพศผู้เพศเมียเพศเมียเพศผู้เพศเมียคือเพศที่ยังดุกดิก๊กยังไม่จบยังไม่สุดยังไม่นิ่งยังไม่หยุดยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สงบสันติเรียบร้อยง่ายงาม ยังมีอาการที่มันยังไม่เขา้าท่ามีอาการอุปายาสมีอาการทมมนัตมีอาการทุกมีอาการปริเทวนาการมีอาการโศกเศร้าโศกเศร้าในี่ใหญ่ที่สุดละปริเทวนาการนี่หมายความว่ามันตงแต่งตงแต่ ง, งนั่นแหละไม่รู้แล้วเลย มันหยุดนะเอาอีกแล้วแง่แอีกแล้วโอ้อตมาสะดุดตรงนี้ที่น้องชายคนเล็กของอตมามันมีนิสัยแบบนี้ยถูกแม่ตีมันก็ร้องไห้ร้องไห้ที่ในข้างหน้าเนี่ยถูกไลต่ตีมันเข้าไปในเสืม้มไปร้องไห้อยู่ในเสื้อแง่แเงียบไปนึกว่ามันจะหยุดนี่มันแง่แงแ ง, ง่ไปอีกแล้วเสียงของมันจะในเสื้อ ม, มันแหละ พักไปอีกอ่งแง่ยยงง แ, ง อ, ง, แงอยู่แล้ออวไม่รู้จักจบสักทีหนึ่งโอยต้องแต่งตองแต่งอยู่นั่นแหละนี่คืออิทธิภาวะไม่รู้จักจบสักทีไม่รู้จักเสร็จสักทีไม่รู้แล้วสักทีเพราะสิ่งใดยังไม่รู้จบยังไม่แลว้วยังไม่เป็นหนึ่งเด็ดขาดอันนั้นคือยังลีลาของอิทธิภาวะอยู่ทั้งสิ้นต้เอเข้าใจเท่านี้ไว้ก่อน บริสภาวะเป็นตัวจบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอิทธิภาวะในาศาสนาพุทธต้องเข้าใจนะอย่ามาหาว่าไม่เท่าเทียมกันขอข้ออธิบายความเท่าเทียมไม่เท่าเทียมให้ชัดก่อนคุณเกิดมานี่พ่อแม่คุณสร้างกระดูกมาอัตมาเรียนอันธนะอมมีมานะกระดูกของเพศหญิงนี่เล็กกว่าเพศ ช, ชายหมดมียกเว้นเพศหญิงจะใหญ่กว่าเพศ ช, ชายอยู่อย่างเดียว ภาษาอังกฤษเรียกว่าเพลวิสภาษาไทยเรียกว่าเชิงกรานเพราะมันจะต้องไว้เป็นอู่ให้ไว้ลูกอาศัยนี่อย่างเดียวอะ่ะใจก็เขานอนนั้นเล็กก็หมดทุกชิ้นคุณไม่สร้างมาให้มันใหญ่กว่าสิจริงๆแล้วผู้หญิงนี่คืออีฟพระเจ้าเอากระดูกสี่โครงที่ที่เจ็ดของอนดัมมาสร้าง ศาสนาเทวนิยมก็ไปเทียงกันเอาถ้าอยากจะให้ผู้หญิงใหญ่กับผู้ชายก็คุณก็สร้างอีบโดยอีกส่วนหนึ่งสียอย่าพระเจ้าก็ต้องสร้างพิเศษมาไม่ใช่สร้างอดัมมาแล้วอีฟก็ไปเอาส่วนหนึ่งของอดัมมาสร้างไม่ได้แต่คุณแก้อันนี้ไม่ได้แก้ทรัพย์จากนี้ไม่ได้อีบมันก็ต้องเป็นรองอดัมจุดดีมีพวกศาสนาเทวานิยมมาเทียงอาตมาอาตมาก็อ้างตรงนี้คุณไปเทียงกับพระเจ้าไปไปแก้พระเจ้าก่อน ถ้าแก่พระเจ้าได้ก็เท่ากันได้ถ้าแก้พระเจ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ในานามธรรมาสามารถบรรลุอรหันต์สูงสุดจบดีที่สุดไม่มีทุกข์ที่สุดได้ไหมได้อันนี้คือความจบเท่าเทียมกันตรงนี้แต่นอกนั้นคุณมีวิบากของคุณได้เกิดมาเป็นร่างผู้หญิงคุณต้องจำนนแต่สูงสุดยอดคุณก็มีได้นี่จะตะกระไปหาอะไรนะคุณจะละลายร่างกายคุณได้ไหมล่ะให้เป็นร่างกายผู้ชาย เอาเลยสมัยนี้มันหมอเก่งแพทย์เก่งจะปลอมตัวให้เป็นร่างกายผู้ชายหมดเลยเปลี่ยนทั้งฮอร์โมนเปลี่ยนทั้งคอมบุสโอมเปลี่ยนทั้งอะไรได้เชิญเปลี่ยนดีเอเอเลยเปลี่ยนได้เชิญเลยเอาร่างกายมาให้เป็นผู้ชายขันครบเครื่องเสร็จแล้วมาเพาะกล้ามแข่งกันนี่แลนี่นะแน่แนตัวกระเทยแปลงลปูกมาหน้าละมาเพาะกล้ามแข่งกับผู้ชายเชิญ อาตมาอยากจะเป็นกรรมการตัดสินเหมือนกันนะจะมีกระเทยพวกนี้มาแข่งชนะไหมมันแปลงร่างมาในแปลงช้ยรูปธรรมมาเนี่ยมาทราบนี้ทำสำเร็จเมือนกันนะจะดูซิว่าสัญญกรรมแพทย์คนไหนเก่งขนาดนั้นนี่จะยาวเกินไปออกจากภาวะรูปสองมหัทายรูปมหาทยยรูปคือที่ตั้งของจิตปัญญา อาตมาก็ติงทางอภิธรรมไปบอกว่าไปอธิบายนามมาทำไปเป็นรูปธรรมอีกแล้วไปว่าหัวใจก็คือลูกกลมๆเนี่ยชุยวิเป็นดินน้ำไฟลมรวมกันเป็นแท่งก้อนเนี่ยแล้วหัวใจพลังงานอยู่ที่นั่นไม่ใช่แมแตกระใครเข้าใจผิดว่าหัวใจนี่แหละคือที่เขาอยู่ของวิญญาณนะสมองยังจะจริงกว่าเลย ถ้าจะว่าที่อาศัยที่ใช้งานนะสมองไม่ใช่อาศัยใช้งานของจิตปัญญาไม่ใช่หัวใจหัวใจนี่มันสูบฉีดโลหิตมันใช้ของเรื่องของสรีระของร่างกายมันคนละหน้าที่มันคนละงานคนละแหลง่งมันไปอธิบายว่าหัวใจอยู่ที่ในดวงนี้แหละห้องดีซอยู่มีน้ําใสใสอะไรเขาไปอธิบายอาตมาบอกไอ้นั่นมันไปใหญ่แล้วอาตม า, าข้อติงว่าไม่ใช่ คาทายรูปเป็นนามธรรมาเป็นปรมาจิตไม่ได้เกี่ยวกับรูปธรรมดินน้ำไฟลมอะไรเลยหัวใจนี่มันเกี่ยวดินน้ำไฟลมไอ้นี่มันไม่มีมันนามธรรมามันจะเกิดตรงไหนเกิดจากกายจะ อ, องค์ประชุมอะไรองค์ประชุมของรูปเรนนาำเพระาะงันรูปเรานน้ำตากระทบรูปเกิดตรงไหนตรงนั้นแหละมันตั้งอยู่กากระทบรูปคุณว่ามันมันเกิดตรงไหนคุณเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้ ตากระทบตากระทบขวดฮาทไรูปก็เลยอยู่ที่ขวดหรืออยู่ที่ใจเอออยู่ที่ขวดได้อยู่ที่ใจคุณคุณหลับตาที่คุณจะเห็นขวดนี้ได้ใช่ั้ยขวดเอาสัญญาจำขวดไว้ใครจำเก่งเหมือนเป๊ะเลยมีพราะเตะเก่งเลยรูปร่างรูปร่างรูปโฉมมันพเพราะเตะของมันครบเลยเหมือนเป๊ะเลย แค่นั้นคุณจำได้สัญญาคุณดีคุณก็มีรูปได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคทัยรูปจึงไม่ใช่อยู่ที่ขวดไม่ใช่อยู่ที่วัตถุอยู่ที่สัญญาสัญญาอยู่ที่ไหนสัญญ า, านิจานิตรงนั้นละใช่เที่ยงเลยแท้เลยนิจังตรงนั้นแหละคือคตัยรูป แม่มันละเอียดมากเลยนะสรุปมันจะละเอียดเกินไปไม่ไหวเราไว้วันหลังค่อยว่า ก, กันลงลึกอั น, นเฉพาะอันนี้ก็ค่อยว่า ก, กันวันนี้จะพูดอีกุนเยอะเขาผ่านคาถยรูปก็คือมันเกิดตรงไหนคุณสามารถรู้ได้มันตรงนั้นแหละเรีวยกว่าคตถาเยรูปไม่มีที่ตั้งแต่มีที่ตั้งที่ตั้งที่มันเกิดที่เกิดมีที่ไหนไหมไม่มีที่ให้มันโนเพราะ โนสัมภะโนแดนเกิดไม่มีแดนเกิดมีแต่แดนทํ <c oughs> นะมีแต่แดนทําไม่มีแดนเกิดเพราะไม่มีสิ่งไม่มีทินที่เกิดแต่มันมีนามมาทำเกิดแล้วก็หายเพราะเร็วที่สุดเกิดปับ๊บหายปั๊บเลยเพราะฉะนั้นไม่มีที่ตั้งแต่อาศัยที่ตั้งเมื่อใช้งานจบใช้งานจบเหมือนกัน อ้าวจบหัทไทรูปต่อจากหัทไทรูปก็คือชีวิตตินชีวิตตรูปชีวิตตรูปก็คือชีวะเพราะชีวะที่ถูกรู้เป็นกําลังเรียกว่าชีวิตติมรียกําลังพลังงานดีเกลียอะไรข้อมันก็แล้วแต่ที่มันมีภาวะที่มันเป็นแรงเป็นพลังเป็นอะไรตัวอยู่กาลังงานของชีวะ มันคุณจะต้องรู้กําลังงานของชีวะทั้งหมดนกํากลังงานของชีวะนี่มันจะเกิดได้ถ้าเป็นคนคุณมีชีวะของคนให้มันไม่ตายได้เนี่ยสิ่งที่หยาบที่สุดก็คืออาหารเรียกว่า ก, รกร า, ารินกราอาหารนี่หละให้ชีวะเกิดสําคัญที่สุดคุณไม่กินอาหารคุณอยู่ไม่ได้ละตายแต่จริงๆริงที่ เป็นชีวิตหรือว่าเป็นเกิดการเกิดของอเครื่องอาศัยเนี่ยคนไม่ได้อาศัยแต่เฉพาะอาหารเขาเป็นเลี้ยงทองอาศัยผัสสะอาศัยเจตนามโมชนเจตนาอาศัยแม้แต่รูปนามรูปนามถ้าคุณไม่รู้รูปนามคุณก็กลายไปเป็นกามถ้าคุณรู้รูปนามดีแล้วก็ไม่มีกามได้คุณก็อาศัยแต่รูปนาม ในวิญญาณเท่านั้นเองอันนี้ก็ขออธิบายย่อๆไว้ก่อ น, นสรุปแล้วชีวะก็คืออาการที่จังดิ้นได้ยังเคลื่อนไหวเองได้โดยอัตโนมัติเพราะตั้งแต่เป็นผีชามันไม่มีเวทนามันไม่มีสังขารพอเข้าไปมันไม่มีวิญญาณมันมีสังขารมันมีความจํามันมีกําหนดรู้เอออันนี้ธาตุดินมันเอาอันนี้ดินอย่างนี้อันนี้น้ำอย่างนี้อันนี้ไฟอย่างนี้อันนี้ลมอย่างนี้มันเอา แยกย่อยไปอีกเป็นธาตุทางเคมีอีกเท่าไหร่มันก็รู้อันนี้มันไม่ใช่มันไม่เอามันซื่อสัตว์นะพืชมันก็ซื่อสัตว์อันนี้เอามาใช้สังเคราะห์ อ, อันนี้ไม่ใช่ น, นี้เป็นพิษขนาดนั้นมันยังมีตัวแปลงตัวปลอมเข้ามาคนนี่แหละเป็นบีดพืชโอ้เอาตัวนี้นี่มันเองมันไม่เอาแต่คนนี่เอามายัดใส่มันมันก็เลยแปลงกลายเป็นบรีดใหม่ๆบีเป็นอะไร อ, อะไรไปได้อีกเลยได้สารพัดจะเป็นบีดในคนดีไม่ดีเป็นปีบในสัตว์แล้วเดี๋ยวนี้ยเนี่ยคนมันอุตริ ยอดอุตริมนุษย์อย่างเนี้ยเอาตัดจบชีวะจีวิตินทรีหรือชีวะตะรูปจะต้องรู้อาการของชีวะมันเป็นความเป็นชีวะเอาไร่ดับชีวะเลยนั่นคือตายเพรา ะ, ะชีวะก็คือชาติเมื่อดับชีวะก็หมดชาติสรุปตรงนี้ต่อมาจากชีวะชีวะตะรูปแล้วก็อาหาร อาหารสิ่งที่อาศัยอาศัยมีกาวลิงกราหารอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้พลาดทิแล้วมันก็มีภัสสะเจตนาเอาเธอเอาไว้ก่อนอันนั้นมันจะโยงใหญ่ในการสังขารอธิบายสังขารในผัสสะในนามมธรรมนามนามนามในนามเลยมันจะอธิบายในผัสสะเจตนานามมันมีเวทนาสัญญาผัสสะแล้วก็มนสิกา มันจะมีนามอันนั้นจะค่อยอธิบายไปอีกในนามอีกทีหนึ่งตอนนี้ขยายสัมพันธ์กับมหาปุถุรูปอยู่นะอ่าผ่านอาหารก็เอาอาหารเดี๋ยววันนี้จะได้ลงลึกที่อาหารคำข้าวเนี่ยนะจะเป็นตัวอย่างทันหน้าสิบเอ็ดโมงอีกชั่วโมงหนึ่งแหมเวลาจะประกุเลยมันมากแลวเกินทจะอธิบายนะ จากอาหารอย่างเดียวคือโภชเนมัตัญยุตตาอาหารคือคำข้าวอย่างเดียวเนะี่ยคุณเรียนทะลุปไปถึงความมีและไม่มีเรียนรู้ถึงสันตติได้เลยนะเอาทิ้งไว้ก่อนนะอาหารคือเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยมาอธิบายถึงกบาลิกราอาหารก็ถึงที่สุดได้นะคืออาหารคือคําข้าวการกินสิ่งที่ไปเลี้ยงขันแล้วจะมีกิเลสในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในนั้นครบ กิเลสของรูปรดหรือเสียงสัมผัสแม้แต่นามธรรมที่ยังยึดถือเป็นรูปเป็นรูปราคะอารูปราคะมานอุจจจะอยู่ในนั้นอธิบายได้อ้าวตัดผ่านอ่ตัดผ่านจากอาหารรูปไปเป็นปริเชทรูปภาวะรูปมหาภูตรูปหน้ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายก็รูปนั้นเป็นภาษาทรูปโคจรรูปแล้วเป็นหลักมาเป็นภาวะรูปก็คือจะต้องรูปกัน การแสดงสภาพเพรมันเป็นอิทธิหรือว่าเป็นปุริเสร็จแล้วมาจากนั่นมามันก็หนึ่งที่ตั้งหัตถ ay สองมันมีชีวิตชีวิตตรูปแล้วก็มันมีอาหารเครื่องอาศัยและปริเชทรูปปริเชตรูปตั้งแต่หัตถ ay ยรูปมาถึงปริเชตรูปหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งดังนั้นไม่มีอะไรมากภาวะรูปมีสองก่อจากภาวะรูปมันจะมีสองเหมือนกันคือวิญญาณ เพราะงั้นฮัทไทยรูปกอธิบายลงไปหนึ่งเดียวชีวะก็หนึ่งเดียวชีวะชีวิตจิตสีิชีวิตตะลุ ก, ก็หนึ่งเดียวอาหารก็เอาอาหารกินเลี้ยงร่างกายสัตว์เป็นเท่านั้นเองก็จกเหมือนกันมันก็จะตายสัตว์เป็นขาดอาหารก็ตายเท่านั้นนหะลมก็เป็นอาหารนะที่จริงอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยลมจะอาศัยแต่ลงลึกไปตรงนั้นก็ได้แต่ถึงเวล า, าจากอาหารมาปริเชตทะลุ ปริเชตรูปคือคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์เทนคอนคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์ก็คือ x ทีมี s ด้วยนะมันออกเทสด้วยเอ็กซ์คอนเท็กซ์ถ้าออกแค่คอนเท็กซ์มันก็ไม่ออกทีถ้าเอาคอนเท็กซ์ก็ออกสองทีออกทั้งก็อ่า อันนี้แหละเป็นแบ่งเป็นส่วนๆอย่าเป็นเทเดลโมบโลบมากเอาไปเยอะเอาเอาทีละปริเชตเอาทีละส่วนเอาทีละส่วนเอาทีละส่วนคอนเทนต์ ม, น ม, นมันมันมันมันจัดส่วนให้แล้วเป็นสารบัญเป็นตัวเล่นมาแล้วแล้วก็เอาตัวนั้นมาคนนี้ศีนทากเอาแค่ตัวนี้แหละตัวโตขนาดนี้เอาแค่นี้ก่อนหยับหยับได้แล้ว่อยไปซีนแปะก็ไปซีนซิปอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็เรียนรู้ให้ได้จนจบปริเฉตทรูปตั้งแต่ย่าไปจนตั้งถึง ว่างศูนย์เรียกว่าลงสุดท้ายก็จะถึงอากาศสรูปหรืออากาศสาัพทัดปริเชทรูปเนี่ย่ถึงอากาศสรูปหรืออากาศสาัพทัดอ่านในนี้ก็ได้นะในนี้ก็เอาไม่ได้อธิบายไว้ปริเชทรูปนี่อธิอธิบายาของเจ้าคุณ พรหมคุณนาพรเนี่ยไม่รู้จะเจอ เ, จอเรจรอญชั้นก็เป็นสมเด็จหรือเปล่าวันนี้สมเด็จเกี่ยวสิน้นชีวิตเนี่ยจะต้องเลื่อนชั้นสมเด็จจากชั้นพรหมนี้ขึ้นไปอะฮะสิ้นแล้วโอ้คุณนี่ชาจังเลยสิ้นแตงโมหวานนี้อ่าสมเด็จเกี่ยวสิน้นอนนี้ก็พรหมชั้นพรหมก็เรื่องเงินไปไปสมเด็จต่ออ่าปอดต่อต่อไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไปพูดพอทีเชษทารุ่งท่าน อเคียนเอาไว้ว่าคือสภาพคือช่องว่างท่านแปลไว้เท่านั้นคืออากาศสัทธาปริเชตรูปนี่มันหยาบไปจนกระทั่งแต่ละปริเชตต่ลละปริเชตไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปในส่วนนั้นก็ศึกษาให้มันจนกระทั่งทำให้มันถึงว่าง้าให้มีลักษณะเป็นลหุตาทําให้ลักษณะเป็นตัวมันเองขึ้นขั้ น, น, นมุทุตาแล้วเมื่อเป็นมุทุตาที้สมบูรณ์มันก็มีกรร ม, มัญญามันก็มีกรรมการงานที่เหลืออยู่อย่าง เจ๋วเชนแลมันก็อยู่อย่างสบายสะอาดสว่างเป็นประพัดสอนนี่เป็นคุณสมบัติห้าของอุเบกขาปริสตาบริยุธตามุทุกกรรมัญญาประพัสราสมบูรณ์เลยการจบอยู่ที่อากาศสตาร์หรือที่ว่างเพราะเราว่างนี้ไม่ได้ว่างอย่างมืดเราว่างอย่างสว่างอากโลกาเป็นโลกที่สว่างหรืออากาซา สว่างเป็นความว่างที่สว่างนะเพราะต่อจากปริเฉตรูปก็มาวิญญัติรูปวิญญัติติรูปนี้สองมีสองอย่างเรียกว่ากายวิญญัติกับวจีวิญญาติกายวิญญัติคือองค์ประชุมทั้งหมดบอกแล้วกายยานี่คือองค์รวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นสำนักใดเป็นเรียนรู้ถึงตำมกายและไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้างนอก หรือทำเป็นลิขรับข้างนอกไม่ร่วมไ ม, ไ ม, ไม่แสดงตัวไม่ได้แสดงตัวก็เป็นตัวน่าเกลียดนะเอาดอกไม้ไปย่ำเล่นแสดงตัวใหญ่โตทับถมข่มเบงคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นธรรมกายที่ไม่รู้จักรูปธรรมของกา ย, ยวิญญัติไม่รู้จักว่าจีวิญญาต์วิญญาต์ทำเป็นพูดละหูตาพูดเบาพูดนิ่มนวลพูดหวานมันเลี่ยนนะ มันไม่จริงใจมันปรีเทนเดอร์ขอแพรอะธมาพูดแรงพูดชัดพูดสั้นแดวิดเจวิญจารธรรมะอาตมาไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดเราแต่อาตมาสงสารแต่ไม่รู้จะไปช่วยท่านได้ยังไงเพราะท่านยุดท่านคนหนึ่งในตองอูเหมือนกันอ่าอาตมาไม่ไปแข่งเราตองอูตองเออแข่งอะไรแข่งรวยแข่งใหญ่แข่งรุ่ยแข่งร้านแข่งปริมาณมากแข่งร่ําแข่งรวยเอออาตมาไม่สู้แพ้แต่ในมุง้ง ไม่แข่งอย่างนั้นไม่แข่งอัตมาจะแข่งจนนะจะแข่งมอสอไม่แข่งรู้ราไม่แข่งใหญ่โตไม่แข่งงามเงี้ยแต่ก็งามเหมือนกันนะงามพวกเราแต่ไม่มีงอนในเอางามเงอนงามง่ายง่ายงามงอกงามงอกงามชื่อปุ๋ย ง่ายงายในชื่อของดีง่ายเขาดีง่ายไงเขดีง่ายไงเขชื่อง่ายเขาชื่อง่ายอะแต่ให้งามง่ายอ่ะทีนี้ต่อมาปิญญาติรูปนี่คือองค์ประชุมที่มันแสดงออกด้วยท่าทางท่าทีลีลาถึงการองค์ประชุมเป็นนัจจคีตวาชิตะนัจจคือท่าทางทั้งหลายลีลาท่าทางแสดงออกมารวบรู้ไหมันท่าทางในมนุษย์มันก็มีท่าทางเท่านั้นแหละ ถ้าคุณมีร่างกายแสดงท่าทางได้เร็วได้ไวเหมือนอย่างกัตมาเนี่ยโอ้โหแปดสิบแล้วยังเข้าคล่ อ, มองมองไวเ่เงียอ่าแต่ที่จะอะไม่ไม่ไม่ใช่หุ่นไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่หุนนห่นชักรับรองปราดเปวแหววไ ว, ไวรวมแล้วเป็นกายวิญญาตเป็นองค์ประชุมของนัทจากขีตะวาทิตต์ที่มาจากมโนเป็นตัวชักเป็นตัวชักนําเป็นตัวสังขาร ส, สังขาริกัง เป็นตัวสังขารสังขารที่กังเป็นตัวชักนําให้เป็นคนตัวชักหุ่นชักท่าทางชักภาษาชักสุ่มเสียงสําเนียงชักลีลาที่แสดงออกได้ครบมีทั้งนิตนจักนัดจักขีตาวาทิตะส่วนวัจีวิญญาณนั้นเหลือแต่ขีตะและวาทิตะไม่มีนัดจักนัดจะไม่มีแรงนัดจักเบา นัจะไม่มีแรงไม่ไม่กล้าแรงเพราะแรงไม่เป็นเพราะแรงแล้วตัวเองก็แรงไม่ได้ไม่มีแรงจะแรงแต่โพธิรักมีแรงจะแรงนัตจะอยู่เอาจริงหรือแรงอย่างมีศิลปะแรงอย่างรู้จักการใช้ให้เหมาะสมด้วยจะเอาแรงอย่างรีลารนัตจะอัตมานาตุกะตาทองนะ ดาราตุกตาทองนะตั้งรองว่าแสดงออกมาได้ทั้งท่าทางซุ่มเสียงสำเนียงประกอบวมไปกัองค์ประชุมกายวิญญตัตคุณรับได้อย่างดีชัดเจนเหมาะสมกับยุคเบาที่สุดแล้วนะอาตมาไม่เอาแรงกว่านี้แต่ก็แรงพอใช้แล้วละ่ะเนี่ยแรงทั้งสำนวนสำเนียงแรงทั้งประกอบไปได้ท่าประกอบด้วย หยาบหนะ้าที่จริงคนที่เขาถือสาเข้าวอาจะมาแสดงหยาบเกินไปภาษาก็หยาบสุ่มเสียงก็ละหยาบท่าทีก็หยาบท่าแทนทางแสดงลีลาท่ากายกรรมก็หยาบเขาว่าอาตมาหยาบไม่เป็นไรอาตมาว่าขนาดนี้มันปรุงแต่งจัดจ้านกค่นี่ในโลกอาตจมายังทําหยาบเท่าเขาไม่ไม่ไหวอแต่ไม่เอาไม่หยาบแข่งหรอกแต่ขนาดนี้ก็จําเป็นนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะ สรุปแล้วกายยวิญยัติคือองค์รวมท่าทีลีลาของปุ ก, การปรุงแต่งของนัดจะคีตะวาทิตะส่วนมจีวิญญัตินั้นมาแค่คีตะกะวาทิตะไม่มีนัดจกักนัดจะเบาไม่มีฤทธิ์แล้วหรือแต่ความแรงของสำเนียงสำเนียงก็เบาลงไปอีกสำหรับคนที่มันเบาเบาได้หลอกคนที่จะอย่างนั้นแหละหรือว่าใช้กับคนอย่างนั้นอ่ะถ้าแรงหน่อยเขาก็ไปไม่ออก ไม่เอาแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วมันแรงไปมันยาไปมันดังไปมากไปเขาไม่เอาเหมือนกันเขาก็จะเอาแค่นี้เราไม่ไหวากกันแต่พวกเรานี่แรงแล้วเนี่ยกระแทกเข้าไปถึงขั้นศูนย์กระแทกจนศูนย์ได้เพราะนั้นกระแทกไม่ออกเราเบาและไอ้ติดติดไว้นั้นหน้าหนาติดไว้นั้นเหนียวเหนียวติดไว้นั้นแข็แงแข็ง ทั้งเหนียวทั้งหนาทั้งแข็งทั้งข้นเพราะฉะนั้นในแรงที่เขากระแทกกระทุง่งมันไม่ออกหลอกมันไม่แตกตัวรอกคุณก็หลอกกันไปอยู่นั่นแหละหนักเข้าคุณก็เลยมาหลอกทั้งโฉมปรุงแสงสีเสียงรู้ราฟู่ฟ้าคุณออกไปทางน้นแต่เขาหลอแตกแตกแตกแตกแต ก, แต ก, แ, ตกแตกจนหมดแตกจนเกลีย้ยงกลับลงถึงศูนย์ กลัวไหมเห็นมารับรองว่าเราไม่หยาบถึงขั้นที่ว่าทำให้มันแตกเนี่ยมันไม่หยาบถึงขีดที่คุณรู้ว่าหยาบแล้วไม่หรอกแรงก็แรงแล้วแต่ไม่แรงถึงขั้นไหมร้อนเกินดิกรีที่โอ้โ ห, โ ห, โ ห, โหโละลายไม่ไม่ถึงร้อนอย่างเก่งก็ปากหอกแต่ถึงขั้นทำลายให้นื้อเล็บตอกยางออกไม่เอา าปากห อ, อกคนไหนที่ปากห อ, อกได้เก่งกวออ่าอาตมาเชิญอาตมานี่แรงแล้วนะปากหอกอาตมานี่ทิ่มดัทิ่มแรงทิ่มเสียบลึกด้วยนะอ้าวจะกายวิญญาตปจีวิญญาตเข้าใจนะจากนั้นลงไปหาอีกสองอันคือวิการรูปกับลักษณะรูปมันมีวิญญาตไม่มีสอง พอมรวิการรูปมันจะมีวิญญาตสองนั่นอยู่ด้วยมีกายวิญญาตกับจีวิญญาตด้วยอีกสองประทักันวิการารูปมันจะมีห้าคือละหุตามุทุตาเป็นกรรมมัญญาตาที่อธิบายผ่านไปบ้างแล้วระหูคือเบาลงมาเบาได้ขนาดและตัวมุทุภูตธาตุตัวจิตที่มันอ่อนไวั มันดับได้ง่ายปัญญามันก็เร็วด้เร็วไวรู้ได้เร็วรู้ได้ไวความเป็นเจโตก็ตับปรับได้ง่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเปลี่ยนแปลงได้ทันทีมาสู่ดีสู่ที่ควรจะเป็นปุ๊บปปั๊บปรับแปลงตัวได้ง่ายปรับตัวได้ง่ายไวเร็วไม่ติดไม่ยึดนี่เรียกว่าเจโตฝนปัญญาก็โอ้โหรู้ทันไวเร็วปุ๊บป๊บป๊บป๊บโอ้โหวาพริบไวเร็วมาก นั่นคือลักษณะของจิตเจโตที่มันเป็นมุทุธาตหรือมุทุภูตธาตุเป็นเร็วไปจึงเรียกว่ามุทุตตาแล้วหูตาก็คือเบาอยู่ในขีดเบาแต่มันแรงอย่างเหมาะสมอย่างจะมาพูดในแรงอย่างเหมาะสมน้ำหนักนัดจักก็แรงขนาดนี้คีตกักขนาดนี้วาที่ตาก็ขนาดนี้ใช้ใบยัญชนะภาษาบางทีก็ใช้ภาษาคำที่เขาอยากเอามาใช้ร่วมบ้าง แต่ไม่สามัญไม่ทําทั่วไปไม่ทําบ่อยไม่ทําซ้ําเกินนานๆใช้ทีอันเหมาะสมแล้วตามุทิตาแล้วเอามาผาสมส่วนใช้กรรมมัญญตาใช้เป็นกรรมการงานเป็นองค์ประชุมร่วมกรรมร่วมกิริยาต่างๆทํางานจะมีทั้งวัตถุที่เกี่ยวข้องที่เรารู้ว่าอันควรมีทั้งกรรมกิริยาต่างๆที่เกี่ยวข้อง กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีนัจจคีตวาติต า, า, ตาที่ปรุงร่วมอย่างได้สัดส่วนมีมัตตัญตามีการประมาณได้อย่างสัดส่วนไปสัดส่วนที่พอเหมา ะ, ะแล้วจึงเป็นกรร ม, มัญญาตาทางั้นพู้รู้นี่ก็จะต้องมีปัญญาในวิญญัตารูปกับวจีวิญญตัติกายวิญญัติกับวจีวิญญัติเป็นวิการะ เป็นอาการวิการหรืออาการนี่แหละเพราะฉะนั้นอาการที่วิอาการที่วิเศษอาการใดที่ไม่ให้มีวิเอาออกอาการใดที่ดีวิเศษเอาไว้วิเนี่ยวิการะเนี่ยอาการมันเป็นอาการแล้วนะมันเป็นอาการนามมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนรูปร่างอะไรแลวอาการแล้วนะ นี่คือนามมาทำที่ลึกซึ่งแล้วเพราะนั้นใครเข้าใจอาการก็สร้างอาการนั้นให้เป็นขั้นวิการะเป็นการที่อะไรไม่ให้มีเอาออกให้เกลี้ยงอะไรที่ให้มีเอาไว้อย่างวิเศษเลยวิเศษสะเศษพร ะ, ะแปลว่าเหลือสิ่งนี้หละเราเหลือไว้ก็คือวินั่นเองคือสิ่งที่จัดแจงเรียนรู้ปรับตัวมันแล้วจบ ส่วนที่เหลือก็คือเศษะวิเศษเพรอวิเศษที่เหลือนี่คือเศษวิแล้วได้วิตกวิจารณ์มาหมดแล้วได้วิตกวิจารณ์ ม, รารมาหมดแล้วในมโนปวิจารในจิตมโนปวิจารได้ทามาหมดแล้วสมบูรณ์แล้วเพวันในวิการะจึง รู้จากจุดสําคัญว่าเราจะเอาไว้เบาเท่านี้แล้วหูตาแล้วจิตของเราเป็นเองนะมุทุตาในจิตใครจิตมันนะใครมีมุทุบุตตะธาของใครเท่าไหร่แค่ไหนจะมีไหวพลิบเร็วเท่าไรจะดัดจิตปรับจิตของตัวเองได้เร็วเท่าไรไปศึกษาฝึกฝนอบรมเอาให้ได้ของใครของมันแย่งใครไม่ได้ของใครทําได้ของคนนั้นเป็นมุทุบุตตะธาเป็นธาตุที่คุณทำํทำสาเร็จ เพราะงั้นคุณจะประมาณให้ลัหุตาเท่าไร่เอามาใช้เป็นกายมิญญาตาเท่าไรคุณก็ต้องรู้ขนาดเสร็จแล้วก็เอามาใช้เป็นกายวิญญัตมาใช้เป็นวจีวิญยัตท้อาศัยนะกายกายวิญยัตต่างทธาตุลีลาที่ระดับองค์ประชุมทั้งหมดที่ทรวมกันออกมาทั้งข้างนอกข้างในส่วนวัจีวิญญัตก็เป็นข้างนอกแต่เป็นระดับของวจีซึ่งไม่มีนัดจัมีแต่คีตะกับวาทิตะ แม่อธิบายมานี่มันมันใครว่าลึกซึ้งไหมอาขออภัยในะขอถามหน่อยใครพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องยกมือเอาใช้ได้ดาเนินต่อใครรู้เรื่องดียกมือไม่มีเลยอะมันอ่ะรู้เรื่องดีอ่ะ ไอจันเหรอจันสองล่าโอ้รู้เรื่องดีเลยจันสองล่า <c oughs> ไม่ไม่ถามต่อละอ่าใครไม่รู้เรื่องไม่ถามน ะ, ะเดี๋ยวจะมากเกินเดี๋ยวจะไม่มีกําลังใจเทศแต่ก็เยอะแล้วเมื่อกี้นี่ดูแล้วประมาณแล้วยกมือแล้วประเมินด้ตาพลั้งกลึงก็ว่ามันมากกว่าครึ่งหน้า นที่พ่อพอรู้เรื่องใช้ได้แล้วเพราะว่ามันลึกนะเพราะงั้นในสิ่งที่ลึกซึ้งพวกนี้เนี่ยมันเป็น ส, สัจจะที่มีจริงที่พระเจา้าตรัสรู้อัตมาก็นาํามาอธิบายบางอย่างหลายอย่างอัตมาก็ขออภัยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สอดคล้องกับที่ท่านแปลไว้ของโบราณาจาร์ที่ท่านแปลไว้บ้างอย่างอธัยเยรุเป็นต้นอะ่า หรืออะไรหลายอย่างหรือแม้แต่รายละเอียดตมาก็อธิบายเองหลายๆอย่างออกไปให้ฟังแล้วทีนี้ท่านจบด้วยลักษณะรูปสี่ลักษณะรูปสี่มีอะไรอุปจยะสันติตนชรตาอนิจจตาอุปจยาแปลว่าเจริญเกิดอย่างเจริญเกิดอย่างเจริญคืออะไร เกิดอย่างเจริญคือเกิดอย่างไม่สะสมแต่เกิดนะไม่สะสมนี่มันเกิดหรือมันตายไม่สะสมเกิดหรือตายตายใช่แต่อุปาจายะนี่ไม่ใช่อุปาจายะอุปาจายะไม่สะสมต้องดูพราะชนะบาลีคู่นี้อุปัจายะไม่สะสมนะไม่สะสมนี่แปลว่าตายใช่มหมดอุปาจายะแปลว่าเกิด เกิดขึ้นมาแต่เกิดอย่างอัอปจัยะเกิดคู่กันกับอปัปจัยะเกิดอย่างไม่สะสมเกิดเจริญขึ้นนะเกิด น, นี้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญอะไรคุณเจริญการไม่สะสมคุณมีกายยะอันไม่สะสมมีองค์ประชุมเยอะเลยแต่องค์ประชุมนี้ไม่สะสมเป็นเราเป็นของเราเลยอิสาตารณโปคี เออแหละฮแล้วใจจริงแลยนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆนะถ้าคุณยังยึดอยู่คุณก็ยังมีตัวตนของคุณเองอ่แหละคุณมาเอาไปก็ยากของส่วนกลางเขาถ้า ก, กรรมการเขาไม่ให้คุณก็ไปเอาไม่ ไ, มได้หรอกนะเพราะงั้นในความเป็นอุ ป, ปัจจะยะนี่คือการเกิดของการไม่สะสมซ้อนอยู่ที่อุปัจจะยะแต่เกิด ก็เจริญเกิก็คือมีอภิญญายไม่สะสมก็ไม่มีแต่มันมีมีแต่มีอาศัยมีใช้ประโยชน์จบประโยชน์แล้วก็ไม่มีศูนย์เร็วเป็นอตต ม, มัจตาเร็วมีพอมีจบศูนย์จบใช้หน้าที่ของมันจบแล้วเลิกเหมือนกัเราจะไปชุมนุมเนี่ยจิส่วนลุมเนี่ยเราไปทำหน้าที่ อาจจะห้ารอยวันจบแล้วเลิกจบแล้วลบจบนะเลิกไปถึงห้าร้อยวันก็ดีจะไม่ยาวนานไม่เมื่อยเกินสี่ร้อยเก้าสิเก้าวันก็ได้ไม่สี่รก้าสิบเก้าวันลดก่อนนั้นก็ได้ลดสี่ร้อยก็ได้สามรอก็ได้สองรอก็ได้หนึ่งร้อยก็ได้สิบวันก็ได้วันเดียวก็ได้แต่มันเลยวันมาแล้วเพราะฉะนั้นวันเดียวบอกไว้แล้วไม่ได้แล้ว สิบปันก็น่าจะไม่ไม่ก็น่าจะไม่ไม่อยู่ก็น่าจะตอบแล้วแต่เราไม่ยึดมั่นถือมัน่นเราทําไปด้วยเหตุปัจจัยที่มีเหตุปัจจัยที่พร้อมที่สุดในปัจจุบันที่สุดเหตุปัจจัยที่พร้อมที่สุดในปัจจุบันที่สุดเรามีมุทุปุตตะธาตุไม่ต้องห่วงเลยอตมัมมยตาไปจิตเราก็มุทุปุตตธาตุองค์ประชุมทั้งหมดก็ มีตัวก็ได้ไม่มีตัวก็ได้วะอาตมมยตามีก็ได้ไม่มีก็ได้เดวัยเลยมีตัวโอ้โหเป็นตัวงอเบลิกเบิงเลยนะหายวับเฮ้ยหายไปไหนไม่มีตัวเห็นเป็นเช่นนั้นนะนะมีพลังด้วยนะมีตัวนี้มีพลังมีความสามารถมีความดีงามนยนะไม่ใช่มีตัวไม่ใช่เขี้ยวยักษ์นะเป็นตัวเทวดา เป็ตัวพระพรหมออกมาอย่างสวยงามออกมาช่วยโลกเป็นเทพเจ้านะไม่ใช่มาอย่างยักยงีงมีงเขียวมีอะไรไไม่ใชนะ่สรุปแล้วเมื่อรู้จักอุปปัจจะยะแล้วก็รู้จักสันตติคือความเกิดความตายอยู่ต่อเนื่องกันเอามาลงตรงความเกิดความตายมีเวลาอีก โอ้พอสมควรหลายนาทีอยู่สักสามสิบกว่านาทีมาลงตรงนี้ให้ชัดๆชรตาคือความเสื่อมไปธรรมดาอันที่จตตาคือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นในความไม่เที่ยงในความเสื่อมเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายซ่อนอยู่ในสันตติให้ฟังถ้าทำวันนี้ได้ก็เกิดอุปัจจยะเอาตรงนี้เอาเกาวลินกะราาหารเอาอาหารที่กินมาอธิบายเหตุปัจจัย และความรู้สึกกันตรงนี้อ้าวฟังดีๆคุณสัมผัสอาหารอะไรก็แล้วแต่คุณชอบอะไรก็แล้วแต่คุณติดอะไรก็แล้วแต่ติดพอได้สัมผัสคุณก็อยากอยากคุณก็รับมาคุณก็สัมผัสเข้าไปกินพอกินแล้วเกิดรสอ้าเกิดรสมันมีสองรสแทน ไม่ใช่รถถังนะมันมีสองรถหนึ่งรถของจริงของมันเป็นธรรมชาติเช่นสัมผัสน้ำตาลน้ำตาลมันหวานนั่นเป็นรถจริงของมันสองรถที่สองคือชอบวะนี่คือรถผี คนที่หลงรถผีได้รถชอบโอ้ชื่นใจมันแปลงตัวเป็นเทวดาเลยพังให้ดีนะตอนนี้จะรู้ความเกิดความดับเป็นเทวดานา ม, มาทำเป็นโอปปปาติกะเป็นสัตว์สัตว์เทวดาเกมันจะมีรสเมื่อผัดสะผัดสะน้ำตาลแต่เออเป็นรสหวานตอนนั้น เจ้าเลยนอะหวานเจ้าเลยสาอีสานหน่อยเจ้าวหวานเจ้าเลยโอ้ยแสบหลายชื่นใจอิฐทารมคุณก็เกิดสวรรค์หลวงสวรรค์หล่อสวรรค์เก๋พอจบแล้วถ้ายัางแตะต่ อ, อยิมก็ต่อไปคุณเอาน้ําตาลแตะต่อมันละลายหายไปแล้วก็หมดใช่ไหมหมดน้ําตาลแล้วหมดเชื้อหมดน้ําหมดเยื่อใย ห, หมดอะไรแล้วหายไปเลย คุณเลือกแต่ความจำคุณนึกว่าความจำเป็นความจริงนี่แหละคุณไม่รู้จักความความความชัดไม่รู้จักสัจจะแท้ความจริงไม่ใช่ความจำความจำไม่ใช่ความจริงความจำบางคนอะความจริงหมดไปแล้วมันละลายหายไปหมดแล้วใช่ไหมคุณก็เลยมาหลงเพ้อกับความจำสวรรค์เรายังอยู่ จงจำความรู้สึกดีๆนี้ไว้คือเวทนาคุณจำมาเวทนายึดมั่นถือมั่นมาเวทนาเป็นเราเป็นของเราคุณก็จำมันอยู่ตรงนั้นแหละคุณสัญญากำหนดหมายจำมันจำมันจ ำ, นจำอะไรมันอย่างงี้มันอร่อยมันแบบนี้แบบนี้อร่อยแบบนี้ชื่อนย่าี้มันก็มีมีตัวไม่มีสภาวะไม่ไม่มีภาษาก็มีอะไรคุณสัมผัสเบาๆบอๆหลมๆแรงๆขงคุณไปแม่ไม่ได้สัมผัสกูกันนั่งฝัน จินตนาการแล้วก็สําเร็จความใค่ในจินตนาการเออสุดยอดสุดคิดคิดถึงคิดถึงคสุดคิดถึงละเมอแล้วว่ะเสียความคิดถึงพอใจแล้วก็พอแล้วเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนทรัพเสียแคลารี่เส่ยหมดเห็นความจริงแล้วไหมว่าความจริงมันอยู่ตรงไหน อยูต้องผัสสะยิ่งกับปลายเข็มหมดผัสสะยิ่งกับปลายเข็มออกแล้วไม่มีผัสสะแล้วหายไปแล้วเรียกว่าผัสสะดับก็ได้พญัญชนะเรียกผัสสะดับคือมันไม่มีผัสสะแล้วอะเรียกว่าผัสสะไม่มีหรือผัสสะดับมันก็ไม่มีความจริงแล้วอ่ะคุณจะรู้ความจริงคุณต้องมีผัสสะแล้วผัสสะนี่คุณมีสองรสไหมถ้าคุณผัสสะนี่มันมีแต่รสหวานของมันเอง รสอร่อยรสชอบรสชื่นไม่มีเฉยเฉยคุณมีแต่รสเฉยเฉยนี่แหละคุณดับอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่มีอะไรกลางกลางเฉยเฉยว่างๆคุณเห็นความดับในขณะที่คุณเห็นความดับนี่คุณตายหรือเป็นคุณมีหรือไม่มีเห็นไหมเห็นความมีกับความไม่มีไหมถ้านิโรดของฤษีดับมันไม่เห็นความเป็นนี่เลย มันไม่รู้จักด้วยว่าอะไรหวานกับรสไม่ได้เรียนด้วยรสหวานไม่ได้เรียนความจริงนะคุณดับแล้วคุณหลับตาคุณไม่มีผัสสนาตาคุณไม่ไดชิมน้ำตาลที่ลิ้นคุณจะมาอ่านรู้รสหวานรสชื่นรสอิทธารมคุณเกิดที่ไหนคุณไดแต่คิดเอาเองปั้นเอาเองใช่ไหมนั่นคือคุณฝันเพอไม่จริงเพราะการปฏิบัติที่นิโรธหลับตาไม่มีผัสสะจึงไม่มีความจริงของปรมาิ ทนี้สัมตติอยู่ตรงไหนสัมตติอยู่ตรงรู้จักความตายและความเกิดเมื่อคุณเห็นว่าอาการของสภาวะของอาการที่เป็นอิทธิภาวะกับปุริสภาวะคุณยังมีอาการอิทธิภาวะอยๆๆๆๆๆๆอยังไม่นิ่งยังไม่ห ย, ยุดยังไม่กลางยังไม่เฉยแน่คุณยังมีอิทธิภาวะอยู่ตราบนั้น คุณดับสุดจบไม่มีเลยสะอาดสนิทปุริสภาวะเกิดเมื่อนั้นคุณเห็นแล้วความจบความดับความไม่มีคุณก็เห็นอยู่แล้วเห็นแล้วคุณเป็นเทวดาคุณเป็นพระพรหมเป็นผู้เห็นคุณก็ยังมีอยู่ความมีก็ยังมีความไม่มีก็ยังไม่ก็ยังมีความไม่มีก็ไม่มีแต่ความมีนั้นไม่มีความมี ภาษาไทยนะไปฟังดีๆไปทวนฟังฟังทันไหมเมื่อกี้ใครเอาเช็คเ็คเมื่อกี้ใครฟังทันยกมือจริงนะฟังทันแล้วมันรู้เรื่องหรือเปล่าฟังทันแล้วรู้เรื่องยกมือฟังทันอยู่แต่ไม่รู้เรื่องยกมืออะไรมาโคตรจะเยอะส่ฟังทันแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะฟังไม่ทันเลยยกมือ โอ้สารภาพฟังไม่ทันเลยเอาไหม่จะพูดได้มันเก่าไหมเนี่ยมันละเอียดแล้วนะเนี่ยความเกิดของรถน่ะมันมีรถจริงของมันคือรถของมันเองรถน้ำตาลนั่นคือความจริงตามธรรมชาติเรารู้จากธรรมชาติแล้วเราก็อาศัยธรรมชาตินี้อยู่ มันก็มันก็มีก็มันเมื่อไปสัมผัสมันมันก็เกิดส่แม้มันมีคุณไปสัมผัสมันจะมาเกิดอะไรกับคุณเล่ามันก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไ่มคุณไม่เอามันมาแตะลิ้นมันก็เป็นน้ําตาลอยู่นะคุณก็ได้แต่หมาเห็นด้วยว่าไม่ใช่หมาสินเนาะมดเห็นน้ําตาลมดมันไม่ได้ไปคาบไม่ได้ไปติก็เห็นน้ําตาลมดก็โอ้ยมดอยากน้ําตาลเออไม่ได้ไปสัมผัสมาใส่ปากใช่เพราะฉะนั้น สัมผัสได้ของจริงของมันรถมันเป็นยังงั้นอ่ะหวานเรื่องมันด้วยภาษาว่าหวานอ่าภาษาจีนก็เรียกว่าอะไรีตีอ่ะตีอ่าภาษาอังกฤษก็บอกสปีดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แค่นั้นอ่ะพยัญชนะสื่อสภาวะนั้นสปีดก็สภาวะอันเดียวกันหวานกับภาษาไทยตีกับภาษาจีนอ่มีภาษาอะไรอีกบ้างนะมว่ากันไปสิีภาษามันก็มาเรียกสภาวะเดียวกัน นี่คือหนึ่งเดียวกันตรงกันหมดทั้งโลกบอกสภาวะความจริงกันเป็นจริงหนึ่งเดียวส่วนสภาวะที่สองนั้นกิเลสใครกิเลสมันถ้ากิเลสขคุณไม่ ม, ไ ม, มีไม่ได้ติดใจเลยรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็จบไม่มีชอบชก็ไม่มีชังก็ไม่มีผลักไม่มีดูดก็ไม่มีกลางเด้งเลยปุริสภาวะถ้ายังไม่ดุ๊กนิๆอิทธิภาวะทั้งนั้นคุณก็จะรู้จักภาวะรูปอันนี้ได้ จะรู้ความจบในภาวะรูปของความตายและความเกิดนี้ได้ว่ามันจะเหลือชีวะชีวชีวิตตรูปหรือไม่เหลือชีวิตตรูปถ้ามันตายสนิทไม่เกิดเลยคุณก็ดับชีวิตตรูปจากอิทธิภาวะไม่เหลือแล้วมีแต่ปุริสภาวะอย่างเดียวอานาการพวกนี้ออกไหมลนะ่ะฟังชัดเจนไหมแล้วเข้าใจเอาไปทําได้ไหมฟังแล้วนี่เอาไปทําได้ไหม เอาไปทําให้สําเร็จบรรลุอรหันต์กันมือเนี่ยจริงคนไหนเข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วมีพลังบารมีจริงๆผู้ที่มีบารมีจริงฟังงนีนจบทําได้ทันทีก็เป็นอรหันต์ทันทีจริงๆนี่ได้สัจ ต, ติไงกัมันต่อกันระหว่างความเกิดกับความตายไงเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งตายไงแล้วเราเป็นทั้งเกิดเราเป็นทั้งตาย ความเกิดของอะไรของจิตด้วยของสภาวะที่มีตัวตนรูปร่างดินน้ําไฟลมขณะนี้กําลังกับสัมผัสนิดน้ําตาลลิ้นเรามีประสาทะรูปสัมผัสอยู่นี่ชายจิตเราไม่มีอิทธิภาวะเลยนั่นแหละภุริสภาวะตัแม่ก็ได้ตัวผู๋ก็ได้เรียนได้ทั้งคู่เรียนได้ทั้งตัหมู๋ทั้งตัผู๋ทั้งตัแม่ นี่คือเพศหรือคือเพศเพศผู้เพศเมียฮะกายจิตเรานิ่งจิตเราไม่กระดิกเลยสัมผัสอยู่ทนโทษเราก็ไม่กระดิกจริงๆเลยและทําได้ถาวรด้วยคุณจบนี่คืออรหัตผลความเกิดกับความตายอยู่ร่วมกันตายอยู่หลัดหลดเดี๋ยวนี้เกิดอยู่หลัดหลัดอยู่เดี๋ยวนี้สันตติไม่ได้ขาดหายไปมีความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งกายตายและเกิดจิตก็เป็น มีและไม่มีอยู่ร่วมกันเข้าใจไหมอ๋อนี่สัตติมันต่อเนื่องกันอยู่เกิดกับตายมันอยู่ร่วมกันไงเห็นความเกิดความตายและคุณมีความเกิดไหมคุณมีความตายไหมเออไม่ได้หายไปทั้งคู่แต่มตัวตายหรือตัวไม่มีเราไม่มีเราไม่เอาไม่เกิดที่เรารถ อร่อยรถอัดอิฐถารมไม่มีแม้แต่รถผลักก็ไม่มีอันนี้ทารมณก็ไม่มีอิฐทารมณก็ไม่มีมีทั้งความมีมีทั้งความไม่มีพ่อเรายังไม่ตายเพราะเรายังไม่หมดขันหน้าเราไม่หมดยังไม่หมดตาหูจมูกลิ้นกายเรายังไม่หมดผัดสะมีผัดสะเมื่อใดเราก็ศูนย์แม้จะมีผัดสะแรงเท่าไหร่ยั่วย้อมเท่าไหร่กระทุ้งกระแทกกระเทือนเท่าไหร่เราก็ศูนย์ได้ คุณโล ก, กุตรจิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสามารถรู้จากอุปจัยยะตัวลักษณะที่มันเกิดเจริญหรือไม่สะสมเจริญและก็รู้สันตติคุณก็อยู่กับมันชรตะชรตามันแล้วมันก็เสื่อมไป ถ้าคุณยังเกิดยังมียังต่อเนื่องมันก็เกิดสิมันก็อุบัติมันก็อุบัติใช่ไมคุณจะเอาไว้คุณต่อเนื่องมันเดียวต้องปรุงแต่งมันต่อมันก็อุบัติแต่คุณสัมผัสแล้วอาศัยจบคุณก็ทิ้งมันก็เสื่อมทิ้งได้ไวคุณไม่ได้จําไปเลยมันก็หายไปเลยแต่คุณยังจําอยู่แต่คุณไม่เอามาปรุงจําได้แต่คุณเอามาปรุงก็ไม่เป็นไรจําไว้เพื่อใช้เท่านั้นแต่แน่น่ะคุณจะขบดนะ จะไม่พอใช้แล้วไปปรุงแล้วกูก็เสพแอบเสพอะไรระวังพวก อ, อะไรหน้าที่มันไปแอบเสพอยู่กับพระพรมทัตนะคนทันนะระวังแทรกอยู่ที่คุ้มขนเป็นหมัดอยู่ที่คุ้มขนแสบไปลอยเสพเมียเท้าพรหมทัตอยู่เรื่อยเลยเนี่ย ลอยเสษเมียเท้าพระพรหมทัตแอบไหลเรื่อยๆระวังแอบเสษพวกมัดพวกเล่นแฝงอยู่ที่ขนของพระเท้าพรหมทัตและแอบเสพรสอร่อยของพรหมทัตพรหมทัตเขาก็เสษรสอร่อยของเขาและไอ้เจ้านี่ไม่แอบเสษที่เผลออยู่เรืยลักลอบระวังเถอะพวกคนทันนะพวกคนทันเนี่ยมันเป็นความกบมานความ เป็นรักขโมยหรือแอบเสพแอบติดอยู่ต้องหมดดับแม้แต่ความเป็นคนทันพรามทัตเนี่เจ้าเสพใหญ่นะพรามทัตเนี่ยเจ้าเสพใหญ่เลยเพราะงั้นเราไม่เป็นแล้วพรามทั์เราก็ไม่เป็นแล้วเสียจะมาเป็นแอบแฝงอยู่ก็ที่ธมทั์ ต, ตายลงมัดก็ต้องวิ่งออกนี่ยังโง่เสพ พระมทัตเนื้อเน่าตายอยู่หมัดพวกนี้มัดโง่ในตอนนี้กําลังประเทศไทยกําลังพระมทัตต า, ตายลงนี่มันจะโดดตอนนี้พระมทัต ย, ยังไม่ตายมันก็ น, นึกว่าพระมทัตจะอายุยืนล้านปีอ่าก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะตายก่อนมัดจะตายก่อนพระมทัตหรือพระมทัตจะตายก่อนหมัดแต่ไอหมัดมันเชื่อว่าพระมทัตจะ ตายที่หลังมันมันจะตายทีก่อนมัดมันเชื่อว่ามันจะตายก่อนมันก็เลยขออาศัยพรหมทัตมันเชื่อว่าพรหมทัตเที่ยงตัวมันเองมันไม่เก่งหรอกมันจะตายก่อนมันก็เลยอาศัยพรหมทัตแต่เราเห็นว่าพรหมทัตนี่ยกำลังถูกปราบอยู่ตอนเนี้ถ้าพรหมทัตตายเนี่ยมัดมันจะกระโดดออกมาไหมเนี่ยเอาละแวะมากไปพูดอะไรนี่มันเห็นรู้เรื่องเลย ต้องใช้สำเนียงแบบผูกกองผูกเข็มเฮ้ยมันอะไรวะเฮ้ยคำรอบด้วยเสียงอะอะอะไรนะอเอาละพอปิดตรงนั้นที่นี่มันทุกอย่างมันไม่เที่ยงรองมันอนิจจตา มันหมุนเวียนไปไม่เที่ยงแท้อะไรที่เราสามารถอาศัยได้ก็อาศัยแล้วอย่าเป็นยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วในขณะอาศัยก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นพิษเมื่อไหร่ถ้าเป็นพิษหยุดเลยนะเลิกนี่ต้องมีปัญญาชาญฉลาดต้องรู้ตรวจสอบอย่าประมาททุกเวลาทุกอย่างไม่เทียบเพลิมไม่ได้เพลอดแป๊บเดียวอะ่ะกินตัวเลยพิษรลายเข้ามาสิ ง, งทันทีโอโหตัวที่มันแซง ตัวที่มันแทรกตัวที่มันจะเข้ามาทําร้ายตัวที่เขาไปมากเร็วขณะอัตมาทุกวันนี้ไปไหนเนี่ยตํารวจตามตัวเขาไม่ไว้ใจซึ่งจริงๆแล้วอัตมานี่ไม่ต้องตามก็ได้หรอกอัตมาไม่ไปทําร้ายหรอกแต่เขาไม่เชื่อเขาจะต้องทําตามที่นายสักงเขาา จ, จะเชื่อแต่เขายัางอยู่ในอาณานั้นเขาเลยต้องทําตามนายสักง ก็เมื่อไปแต่คุณก็จะเห็นเองว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนร้ายแต่เขาก็ตามอาตมาไม่มีกลัวหรอกเพราะว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนร้ายไม่ได้ไปคิดจะทําลายแล้วก็ไม่ไปทําลายที่ไหนมีแต่ทำดีกําลังเผยแพร่สิ่งที่ดีกําลังกระจายกําลังแจกสิ่งที่ดีเนี่ยได้ไม่ได้ไหมนีม่เพชรพลอยนะนี่ยอดเพชรยอดพลอยนะที่แจกใ่ยอดเพชรยอดพลอยนะเอาให้ได้เอาให้ดีเลยเอาให้ได้มากๆเนะ่ สรุปแล้วแม้แต่ ล, ลักขณะรูปสี่นะอุปัจจะยาเขเข้าใจแล้วนะก่าคือสิ่งที่มันดำเนินเกิดอาศัยเกิดใช้ให้เกิดอาศัยไปแต่ไม่สะสมอุปัจจะยารู้ว่ามันเกิดเจริญคืออะไรใส้ให้เกิดเจริญแล้วก็เลิกไม่ไม่ยึดไม่ไม่ยึดไม่ถือต่อไม่ยึดมันถือมันยึดถือแต่เป็นสมาทานยึดถือใช้เป็นชั่วคราว ใช่แล้วจบรู้จักกาละไม่ติ้งต่องไม่ตุกดิกไม่ปริเทวนาการไม่มาทุกข์ไม่โทมนัสไม่เรัศเศษอุปายาสะไม่ไม่เรัศเศษอะไรอีกหนอ่งสามเฮ้อไอ้นั่นกไปอธิบายเป็นสังขยาเลข 1.2.3.4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเนี่ยกยขยายสักญญาณเองอ๋อุปจยากับชรตะอุปจยานี่เกิดชรตะนี่ชรตานี่คือเสื่อมเสื่อมดับชรตาคือเสื่อมก็สู่ดับอุปจยะก็เกิดสู่เจริญอุปจยะเกิดสู่เจริญ ชราตาก็คือเสื่อมถึงไปถึงดับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าอะไรควรทําให้เสื่อมคุณก็ดูว่าเอออันนี้ทําให้เสื่อมได้ก็ให้มันเสื่อมแล้วมันก็จะดับเพราะอะไรที่หมดขีดที่มันจะเจริญได้แล้วมันก็จะอีไม่ขึ้นแอดไม่ขึ้นก็ต้องตัดแขนตัดขาตัดแรงให้มาถึงขนาดนั้นก็จะเป็นชราตาส่วนอะไรที่ทำให้เกิดได้ และมันก็จะเกิดไอ้การเกิดนี้จะมีพร้อมปัญญาทั้งนั้นนะปัญญามีพร้อมเนี่ยมันจะไม่ทำเกินมันจะทำพอดีพอดีพอดีพอดีพอดีพอ ด, พอ ด, พอดีสมดุลสมดุลสมดุล น, น, นี่คือความจบของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสิ่งใดจะมีมีอยู่กับสมดุลเกินสมดุลก็จะต้องรู้รู้โอเวอรโลดรู้โอเวอร์แล รู้ว่ามันเกินไม่โอเวอร์โหลดโอ้โหหนักมากแล้วนี่คุณยังตาถั่วอยู่เขาก็ทุกไปเองแหละแต่ใครบอกเออโอเวอร์แลปก็หายได้แล้วไม่มีแล้วโอเวอร์โหลดหรือโอเวอร์แลปแลปเล็กแลปน้อยแค่ไหนคุณก็ต้องลดลงลดลงก็เข้าใจในภะาษานี้ภาษาอังกฤษเขาโอเวอร์โหลดโอเวอร์แลปนิภาางกฤษเขามันคือเกินไปอย่างหนักอย่างมากแล้วโอรโหลดเกินไปอย่างแลกไปเรื่อยๆเอเอจะเป็นภาษาไทยอะไรแลปนี่แต่มัน L L A P โอเวอร์แลปนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแลปน้อยเท่าไหร่ก็คือหมดภาษาบาลีเรียกว่าอันตาอันตาแปลว่าปลายข้างปลายข้างไปมากก็สุดโต่งไกลยะปลายข้างเล่นน้อยลงน้อยลงเริ่มมา่งโอเวอแลปแลปภาษาไทยก็แลปแลปนิดนหมดไม่มีอะไรแลปไม่มีอะไรหมดเลยไม่มีอะไรแลกหมดไปเลยแม้แต่แสงแว๊นึงก็ไม่มีแลก สุดยอดเลยนี่จะเป็นราศีพลังงานแสงแลกว่ไม่มีแลกแล้วนิ่งสว่างอยู่ตรงกลางกลมเด็กไม่มีอะไรกระจายแต่มีแรงมากพลังนิวเคลียร์มากกราจะมีพลังกำมะถันาพารังสีเยอะฮะซา ส, สตาคู่กับอะไร สัตตาคูเกบ น, นี้จังอ๋อสัสตตมันก็คือยึดถือตลอดไปสัตตานี่คือตลอดไป<ม>ทเที่ยงแท้ยั่งยืนนิจังทุวังสัตตังหรือสัสตตะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นอย่างนั้นเอาว้ายัปาริธรรมตามธรมธรมังอสังยีรังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอ น, นี้ได้นั่นคือคุณสมบัติอันสุดยอดแล้วของคุณตายแล้วตายเลยอสังกุปปังจบแล้วจบเลย คุณลักษณะแบบนี้แหละอะนัตถิอุปมาไม่มีอะไรเปรียบเทียบในวัตถุธรรมทั้งหมดนามธรรมาก็ไม่มีนามธรรมา ท, ที่มีสภาพอะไรมีไปเปรียบเป็นหนึ่งเดียวเปรียบกับอะไรไม่ได้นัตถิอุปมาศูนย์อย่างสนิทถ้าคืนมีขึ้นมามันก็สองแล้วมีอะไรมาเทียบมันก็สองแล้วมันศูนย์ก็มันตัวเดียวอะถ้ามีอะไรขึ้นมาปั๊บนี่นะอย่างน้อยมันก็ศูนย์หนึ่ง ทามากขึ้นมันหนึ่งศูนย์เลยนะศูนย์เนี้มนยมาใส่ปั๊บทำเข้าไปอยู่ข้างล่างมันเป็นศูนย์หนึ่งเริ่มแล้วเริ่มมีแล้วจุดศูนย์หนึ่งแล้วแต่เราจะไปยาวเยอไปจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งนไปอีกเยอะี่ยมันเอามันจะมากไปนะเพราะฉันถ้ามาใส่ข้างหน้ามันก็นเป็นหนึ่งศูนย์ละรวมไปหมดเลยถ้าศูนย์หนึ่งก็เริ่มเริ่มหนึ่งแล้วนะเดกก็ไ ป, ไปหาสิบไปหาศูนย์หนึ่งศูนย์อี มันก็จะอยู่เงี้ยไม่นาไม่หลังก็อยู่เงี้ยเกิดอยู่เงี้ยเรียกว่าสั ส, สตะาคือนิ่งแหละทาวอไปได้ตลอดไม่เกิดอีกหรือเกิดเกิดขย่างกาหนดได้เกิดอย่างกําหนดได้รู้ความพอเหมาะพอดีแล้วก็ทิ้งได้ใช้งานแล้วจบพอเหมาะพอดีใช้งานแล้วทิ้งทันที นี่เป็นภาวะจริงที่คุณทําได้นะเป็นจิตในระดับของมูทุมุทุมุทุพุท ธ, ธธาตุอตามมยตาเกิดเร็วดับเร็วเปน็นนามอตมมงคเกิดก็ได้ตายก็ได้ปุ๊บแป๊บความสุดยอดในสุดยอดเป็นประโยประโยชน์สารนิพพานก็คือปะรินิพพานคือจบสุดหมดเลยไม่เหลืออะไรไ ม, มีอีกมีก็มีมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่มี ถ้าถึงคําว่าไม่มีที่สุดแล้วมีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อถึงที่สุดในความไม่มีแล้วมีไม่ได้ถ้าคืนมีขึ้นมามันก็มีสองขึ้นมาแล้วเพราะะนั้นสุดยอดจริงๆก็คือไม่มีอย่างสมบูรณ์แบบแต่ในฐานะที่คุณยังเป็นคนยังมีขันยังมีการสร้างสรรค์ยังมีประโยชน์ยังมีคุณค่าจะยาวนานไปถึงพระอวโลกุเตศวนจงกระตั้งจะช่วยคน ให้เป็นอาราหันต์หมดเป็นคนสุดท้ายท่านถึงจะยอมอาราหันต์ท่านถึงจะจะยอมปฏินิพพานก็เรื่องของท่านก็ให้เป็นปฏินิพพานที่สุดยอดพิเศษเถอะใครจะตั้งปฏินิพพานนี้นิมนต์อาตมาอนุโมทนาอาตมาไม่เอาอาตมาจะเป็นพระพุทธเจ้าสร้างาศาสนาหนึ่งครั้งจบตามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พอแล้วนะใครจะต่อไปใครจะสร้างาศาสนาอีกสักสองวะ เบิน บ, นบนเป็นประธานาธิบดีครั้งหนึ่งไม่พอเขาสองว่ะช้องสมัยนะอาตมาสมัยเดียวพอแล้วคือมันยาวนานเราทำงานกับมนุษย์โลกเนี่นะมันมีกับที่นับไปทวนเลยมันเมื่อยนะมันน่าเบื่อพยายามไม่เบื่อนี่ก็บุญแล้วไม่เบื่อได้นี่กบุญแล้วน ะ, นะที่ทนทําอยู่ได้นี่มันก็ มันก็วิเศษวิเศษโซแล้วเพราะคนที่หมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วแล้วจะมาทนอยู่ทำไมใช่ไหมเพราะไม่เห็นจะต้องไปจำไปจำต้องต่ออะไรทนอะไรบางตัดตัวทิ้ง ไ, ไปเลยจบแต่ทีนี้เรารู้ว่าโอ้สิ่งที่ดีดสิ่งที่ควรกัตัญยูกัตเวทีอาตมาเป็นลูกพู้เจ้าศาสนานี้ไปอีกสองพันหร้อยปีจะทำต่อให้สำเร็จเสร็จจากนั้นอาตมาจะว่าของอาตมาไปในเรื่องของอาตมาอ่า อาตมาธรรันนี้ต่อไปจกนกระทั่งถึงเป็นพระเจ้าอีองใดองหนึง่งบ้าก็จบแล้วแต่ตอนนี้อาตมามีหน้าที่ที่จะต่อศาสนานี้ไปถึง5้าพันปีก็ทำไปนะสรุปแล้วในรูปธรรม ท, ทั้งหมดเข้าใจลักษณะมันแล้วนะเพราะฉะนั้นจบที่อ น, นิเจตตามันไม่เที่ยงมันเที่ยงเพราะคุณกำหนดเองเรียกว่าสัญญานิจานิ เพาะจบที่อนิจจตาที่มีลักษณะเพราะสิ่งที่จะมีหรือไม่มีลักษณะก็อยู่ที่คุณจะกำหนดสัญญากดให้มีก็เป็นอนิจจตากดไม่มีถ้ากดมีก็เป็นนิจจกดไม่มีก็คืออนิจจตาถ้ากดไม่มียังไงมันก็ไม่เที่ยงอนิจจตาเพราะงั้นเมื่อเรารู้ว่าสุขสิทุกอย่างมันไม่เที่ยงร้อมันไม่มีจริงร้อ เพราะอาศัยมีคุณจะทําความมีนั้นได้เท่าไหร่คุณจะทําความมีได้และคุณก็แน่นอนว่าอากุศลคืออะไรคุณจะมีปัญญารู้และคุณก็ไม่ให้อกุศลนั้นเกิดจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นพระขีนาศพอันตรายอันแสงเผ็ดนั้นคือลาบสการะเสียงสรนเริญกามดับได้สนิทนะ กามดับได้สนิทนพระอนาคามีดับกามได้สนิทแล้วแต่ยังเลือเศษรูปราคะรูปราคะพอเป็นอรหันต์หมดเลยรูปราคะรูปราคะก็มีเลือแต่มานะมานะนี้แหละจะพาให้เป็นอันตรายสเสพต ร, ระวางลาบสักการะสัเสิญไม่เกี่ยวกับกรมกามเด็ดขาดแล้วไม่มีเด็ดขาดแล้วเพราะรถทางกามไม่มีเด็ดขาด แต่รถทางลาบยศสันเริญอันตรายอันแสบเป็ดแม้แต่พระขีนาศประมาณไม่พออินซีไม่พอรู้ตนไม่ท่วนประมาณผิดวิบากใครวิบากมันอันตรายแสบเป็ดความผิดพลาดของพระอร า, าราันนะแสบเป็ดนะผิดนิดผิดหน่อยก็ใหญ่โตมโหลานด่างพร้อยไม่ได้ ต่างปลอยไม่ได้เป็นอันตรายแสบเป็นแล้วว่าพักีนาศมากใครเข้าใจความนี้ความหมายอันนี้ได้ก็ไปทำความเข้าใจดูทีทีนะระะ้อนเป็นไปได้แต่พระอรหันต์ต้องทำงานไงพระผู้ใดจะไม่ทำงานก็แล้วไปก็ปรินิพานไปผู้ใดทำงานก็ต้องอย่างนี้ผู้จะทำงานคือผู้ที่จะต้องมีประโยชน์ต่อโลกให้มากที่สุด แต่สุดท้ายก็คือเมื่อศึกษาต่อมันก็เป็นประโยชน์มันก็เป็นความสร้างสรรค์มันก็เป็นความก้าวหน้ามันก็จะเจริญไปเป็นโพธิโพธิจเจริญไปเป็นสัมมาสัมโพธิไปเรื่อยๆก็เกิดสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่สัมมาสัมโพธิเจโตนะเจโตไม่มีเกิดอีกแล้วจิตไม่เกิดอีกแล้วดับสนิทมีแต่ญาณ มันจึงเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้สัมมาสัมโพธิเจโตไม่เรียกไม่มีสัมมาสัมโพธิญาณก็เกิดแต่ความรู้ความฉลาดความเข้าใจความรู้จักจัดรู้จักชัดเป็นสัตตบรุษรู้จักประมาณรู้จักตัดความพอเหมาะพอดีในองค์ประกอบทั้งหลายแหล่ไม่ว่าธรรมะไม่ว่าอัตต์ไม่ว่าอัตถาอัตต์ไม่ว่ากาละไม่ว่าหมู่กลุ่มบุคคลไม่ว่าแต่ละบุคคล นี่คือสัพปริสธรรมแจประกาศและทุกโอกาสตามมหาประเทศทุกกาลเวลาก็ประมาณไนดะ้ถูกต้องตามกาลเวลาอันเป็นมหาประเทศซึ่งไม่แน่ม่นอนในเหตุปัจจัยเช่นอาตมาสร้างสาธารณประโยชน์ได้กาลนี้ยุคนี้ในมหาประเทศนี้ยุคพระเจ้าเหตุปัจจัยจำกัดก็ทำไม่ได้ถ้าทาได้จะเพียงคัดนสง ขนาะนั้นท่านก็สามารถที่จะมีรัฐอิสระขานไปได้เลยอาตมาเนี่ยจะทําเนี่ยไม่ค่อยอิสระเลยนะนี่เขาจะเล่นงานอยู่เรื่อยเลยตั้งแต่ที่อาตมานีทําสิ่งประเสริฐสิ่งที่ดีงามแต่เขาไม่รู้ก็เห็นใจเข้าเหมือ น, นกันหรือเขายังติดรู้แต่เขามีกิเลสเขาก็ต้องทําตามกิเลสเข้าไปเราก็ต้องรู้เราจะไปโกรธหมามันมากัดเราจะไปโกรธเสือมันมากัด อาตมาก็รู้ว่ามันเสือมันหมามันจะไปกัดเราก็เราก็ต้องหลบเอาเสียเราเป็นคนนะหลบไม่ได้ก็ถูกมันกัดไปหลบได้เลี่ยงได้ก็ประเสริฐหลบไม่ได้ก็แล้วไปไม่ต้องไปทำลายมันถ้าหมาไม่ดุมันไม่กัดหรอกหมาดีมันไม่กัดนำมาช่วยเราด้วยจริงหมาดีมันช่วยเราโอ้โหมามันช่วยคนจากประหลาดเยอะอยู่นะเสือก็ช่วยได้แต่มันมันก็ยากกว่าหมา ช้างช่วยได้ช้างก็ช่วยได้เยอะวันสัตว์ที่พระโพธิสัต์จะต้องไปเกิดมีอยู่หลายอย่างเหมือนกั น, นแต่พระโพธิสัตวไม่ไปเกิดเป็นเสือหรอกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์หลยอย่างโพธิสัตวจะไปเกิดเป็นสัตว์หลยอย่างอยู่เหมือนกันอ้าวล้าเป็นอกิญไตามากไปสรุปเหลือเวลาอีกสี่นาที1 1บเอนดโมงอ สรูปและรูปทั้งยีสบแปนี้ต้องมีความรู้จริงและมีความจริงมีภาวะจึงให้คุณสัมผัสและคุณก็ประมาณหรือรู้จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างรายละเอียดหมดถูกต้องหมดลงตัวหมดไม่ว่าคุณจะมีตาหูจมูกรินกายกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดแล้วเกิดอุปาทายจะรูปขึ้นมาตามประสาธรูป เงั้นตามภาษาตะรูปสองรูปใดอยเป็นอิทธิภาวะอยู่อิทธิอิทธินซีอยู่คุณก็จะต้องรู้อาการของอิทธินซีทั้งหมดและคุณก็ต้องทําเป็นปุริสินซีให้ได้แม้คุณจะเกิดมาได้ร่างผู้หญิงเสมอภาคผู้หญิงก็เป็นปุริสภาวะได้จบด้วยปุริสินซีได้เป็นอรหันได้จับกิตเสสนิษฐได้ แต่นี่บางคุณไปสร้างคุณมาเองคุณได้ขันห้ามาเป็นผู้หญิงอะ่ะได้กระดูกมาแบบนี้ได้กล้ามเนื้อแม้แต่กล้ามเนื้อของเพศชายเพศหญิงเนี่ยอัตมารเรียนอ n a t o m y มา ก, กล้ามเนื้อผู้ชายมันก็มากกว่าคุณไปเพากล้ามแข็งกันให้ตายแล้วสู้ผู้ชายก็ไม่ได้หรอกแม้แต่ผมเเผ่นนี่นะผู้ชายก็มีน้ําเลียงมีอะไรดําดกสลวยสวยงามยาวกว่าผู้หญิงผมเนี่ย แต่ผู้ชายมีสปิริตไม่ต้องไปไว้ผมแข่งผู้หญิงให้เข้าบ้านหลงผมไปผู้ชายเนี่ยโกนมันเลยคี ร, รังแคร์เปล่าๆ้ะงุงรังเพราะงั้นเขาไม่ไปร่วงยุ่งกับมันหลบผมมีแต่ให้ผู้หญิงก็ยุ่งกันไปยุ่งกัไม่เสร็จตักงัวันนี้บบาๆบอสวยตายละแค่ผม เพราะเรารู้จักอิทธิภาวะรู้ปุริสภาวะจบที่ปุริสภาวะเพราะงั้นในสิ่งที่ลึกซึ้งไม่เป็นหายรูปก็ดนะีชีวิตรูปก็ดีอาหารรูปก็ดีแม้ปริเชตรูปก็ดีแล้วก็เข้าใจแล้วใช่ถูกต้องปฏิบัติเป็นกับรูปต่างๆไปจนถึงจบวิญญัตรูปเอามาใช้อยู่อาศัยอยู่ ทั้งอาศัยปฏิบัติวิญญาตารูปกายวิญญาติและปัจจิวิญญัตริรู้ถึงนามตรรมรู้ถึงมโนปรับมโนให้ไปเป็นลัหุตาให้มันเป็นมุทุตาให้มันเป็นกรรมมัญตาเสร็จแล้วคุณก็เป็นอยู่ด้วยอุปจิจญาสัตติชะตาก็ไม่ได้อยู่กับชีวิตตา สุดท้ายลักษณะต่างๆเราอยู่ก็แค่ชีราตาอย่างเก่งก็มีมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วมันก็ศูนย์ว่ะไม่เที่ยงหรอกคำว่าไม่เที่ยงยังเป็นคำสูงสุดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจบคุณจะเห็นปัญญาคุณจะทะลุอันนี้จะตาได้นี่สุดยอดเลยไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงเอาตัวไม่เที่ยงมาเป็นไตรลักษณ์ให้คุณเรียนอันนี้จัง ทุกครั้งอนัตตาอันนี้จังแล้วมันก็อนัตตาไอตัวกลางนล่วมันทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปสิบเอ็ดโมงออดีปเอวัง